ดูผ่านเว็บไซต์ออกมาให้ความรู้กันสี่องเลยนะมีท่านไปบูนที่ดอนไหนโศกเอาโสมากเอาโสโตเราจะเห็นเลยว่าคำถามคำถามกับคนที่ที่มาวัดที่ คองแก้วในหลักพุทธวจะนะกับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยมันจะต่างกันแล้วก็กับคนที่ฟังคําสาวกมาถามมันจะคนละเรื่องพอเช็คไปปุ๊บไม่ใช่อ้าวนี่อยู่ในอภิธรรมนี่เล่มไหนเล่มไหนมันจะออกมาหมดเลยเห็นนะแล้วก็ทีมพระก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งสแกนปั๊บตรวจสอบปั๊ บ, บ, บแล้วก็หายข้อมูลมาเนี่ยแตามาเคยคิดมาเมื่อ 6- 7ปีที่แล้วนะตอนนี้มันก็ ทำได้นะแต่ก่อนเคยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงแตมาพูดไปปุ๊บนี่จะมีคนขึ้นพศูรปุ๊บ ท, ทันทีอาอุโสมาร์มาทำให้ได้ละนะเพราะว่าต้องคล่องใน <c oughs> คำพุทธเจ้าด้วยต้องเชื่อมโยงคำพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันมันต้องพร้อมกันหมดเลยนะตอนนี้เราก็อุโสมาก็สามารถตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษได้กับคนที่ฝรั่งที่ถามเข้ามาในเว็บไซต์ ซึ่งภาษาธรรมะมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันท่านก็ต้องศึกษาเพื่อให้ตอบตรงนี้ได้แล้วกเ็เคยคิดว่าอาตมาอาตมาคล่องแค่นี้นะคล่องแค่ห้าเล่มจากพระโอษฐ์เนี่ยนะอย่างเงี้ยห้าเล่มท่ น, ะท น, นี้นอกห้าเล่มจะทำยังไงใช่ไหมบาลีสารัามีต้องสี่ิบห้าเล่ม ใช่ไหมเราก็คิดเออถ้ามีทีมพระคอยช่วยข้างหลังเพื่อหาแล้วก็สแกนให้แล้วก็ตรวจสอบได้เดี๋วนั้นก็น่าจะดีตอนนี้ก็มีละพวกพระที่มาบวชที่วัดแล้วก็อยู่ 6-7 เดือนมาบวชชั่วคราวนะมีความกล้องแก้วแล้วก็มีความรู้ได้กลับมาช่วยนะเพราะนั้นทีมที่ถ่ายทอดเนี่ยโยมทิศเก่าๆที่บวชนะนะกล้องแต่ละตัวเนี่ย ติดคนนั้นคนนี้นะจบโจจ บ, จบเอกจบอะไรกันมาช่วยกันทำงานมีทิดเอกคนก็ช่วยตัดต่อมีพระช่วยทำมีคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยระดมสแกนหายมถามมาปุ๊บหาผู้ผออกมาประมวลข้อมูลส่งมาให้ข้างหน้าปุ๊บมันจะได้ข้อมูลเลยอย่างนี้เห็นนะโอ้โหสนุกจะตายอ่าก็จะได้ความรู้นะ เราก็จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าคำคนอื่นจะหมดราคาไปเรื่อยๆนะเพราะมันไม่ใช่สัจจะแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหคำพระเจ้านี่สุดยอดจริงๆตอบได้ทุกเรื่องนะแล้วทุกเรื่องพู้เจ้าก็ได้ตอบไปแล้วนะเพียง <c oughs> แต่เราบางทีค้นหาไม่เจอนะหรือว่าหาไม่ทันก็จะเก็บเป็นกันบ้านไว้แล้วก็ เอาไปหาต่อแล้วตอบในคราวต่อไปอย่างนี้นะหรืออันไหนที่ต้องยงหญยพระสูตรมากเป็นหลายร้อยพระสูตรเนี่ยก็ <c oughs> อันนั้นต้องใช้เวลานะก็เอาเอาเป็นโครงการระยะยาวไปนะว่าตรงนี้ต้องการการสืบคนที่มากกว่านี้เหมือนกั บ, บกเอาโสภัยบุญก็ไปเจอประเด็นอีกนะที่เมื่อคืนนะ อุโบสถนะมือเดียวไม่แหางงานใหญ่เลยพวกถืออุโบสถก็อาจจะต้องลำบากกันอีกนิดหนึ่งนะก็จะเหมือนกับพระอุทายีนะพอพู้เจ้าให้งดมือกลางวันก็โอ้โหบ่นออนแอดกับพู้เจ้านะพองดมือเย็นอีกเหลือมือเดียวโอโ้ยิ่งบนใหญ่เลยแต่ผลที่สุด พอมันลงตัวดีเรียบร้อยดีเนี่ย <c oughs> ก็มาเปิดเผยความในใจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็สรรเสริญว่าที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยมันถูกต้องหมดเลยนะ <c oughs> เราก็พยายามจะทำความจริงความถูกต้องให้ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราจะได้พึ่งพาพระศาสดาโยมจะไม่รู้สึกว่า ผู้เจ้าเนี่ยอยู่ไกลเกินเอื้อมนะอยู่ใกล้ๆเราด้วยการที่เราเข้าไปหาคำสอนของท่านนะยิ่งคุ้นเคยกับคำของพระองค์มากเราก็รู้สึกว่าเรากับท่านเนี่ยใกล้กันจริงๆนะจะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับผู้เจ้าเป็นอะไรที่เป็นตะวันิยายปรลมปรลาเนิ่นนานอะไรอย่างนี้จะเหมือนรู้สึกเลยว่า ท่านยมีจริงๆเหมือนท่านเป็นอาจารย์เราแล้วคอยสอนเราน ะ, ะมีปัญหาปุ๊บเราก็จะเปิดพุทธวจนะออกมาเออสมศักดิ์เขาได้เอาหนังสือพุทธวจนะมาไหมสงสัยไม่ได้เอามาอีกแล้วลืมนะอืมแต่คงเห็นกันลวมั้งที่ในค่าวันเสาร์นะอนาจารยมาให้ดูแล้วเล่มนั้นนะนะก็เล่มเลมเล่มใหญ่อย่างนี้แหละนะ ก็เป็นคำเดียวพุทธวจนะนั้นเราก็ดึงอัธกถาออกหมดเอาอภิธรรมออกที่เป็นคำที่ไม่ใช่คำพูะเจ้าเอาออกหมดให้เหลือแต่พุทธวจนะล้วนก็จะเหมือนกับพวกไบเบิลที่เขามีคำคือคำพระเจ้าเขาคำคนอื่นไปแตะไม่ได้นั้นไม่มีคำของใครเลิศสาวกก็ไม่เลิศสาวกก็ไม่ได้ต่ำกว่าพูะเจ้าคือไม่ได้ต่ากว่าพระเจ้าก็คือสาวกก็จะมาจัด คำพูดเทียบชั้นกับผู้เจ้าไม่ได้เลยล้วต่อไปเราก็จะพิมพ์ตรงนี้แล้วเมื่อเช้าวันเสาร์ก็ได้อ่า น, นความห่วงใยของราชการที่ห้าที่ได้เขียนลงไปไม่รู้ก็ติดมานี้ดีกว่านะอืมก็ <c oughs> ท่านเป็นห่วงมากแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ได้ <c oughs> ปรับจากการจารึกพระไตรปิฎกที่เป็นอักษรขอบมาเป็นอักษรไทย แล้วก็เริ่มเป็นการพิมพ์ท่านก็เขียนอธิบายไปหมดว่าไอาการที่จานลงในใบลานเนี่ยมันมันเผยแผ่ได้ไม่กว้างนะแต่พิมพ์เป็นหนังสือมันทําได้ทีคราวละเยอะๆเนท่านก็เห็นประโยชน์ในเทคโนโลยียุคนั้นมีหนังสือเข้ามาก็ารู้สึกว่าเข้าลงพิมพ์ทีแล้ว ม, มันออกมาได้เยอะของเรายุคนี้ก็ซีดีปั๊มกันพึบออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วราคาถูกด้วยอย่างนี้ ก็เห็นว่ารัช ก, กาลที่ห้าเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของคำพระพุทธเจ้า <c oughs> กลับมาที่พระตัวิฎก <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้ามีคนแนะท่านอีกนิดนะว่าพุทธวจนะที่อยู่ในพระตัวิฎกสุดยอดอย่างเงี้ยโอ้โหคงจะมีการ <c oughs> <c oughs> สังคายนาตั้งแต่ในครั้งนั้นแล้วแต่นี้ถ้าเราสามารถ สร้างความเข้าใจตรงนี้ให้กับผู้นำประเทศได้มันจะเปลี่ยนง่ายเยรอห้าเนี่ยบอกพอพิมพ์แล้วเนี่ยให้แจกจ่ายไปในวัดทั่วประเทศเลยนะแจกจ่ายไปให้เยอะเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ของคำภศาศาสระเนี่ยมันอยู่นะอยู่กับโลกเราเนี่ยไปอีกนานเท่านานเลยนะแล้วก็พระจะได้ศึกษากัน แล้วก็ท่านกล่าวความเป็นห่วงเป็นใหญ่ไปเยอะเพราะยุคนั้นก็คือพระที่ทำผิดก็เยอะมากทนะ่านก็พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้นะวันนี้เราก็มา <c oughs> ได้ความลึกซึ้งอีกนะระดับหนึ่งยิ่งเข้าใกล้พู้เจ้าเข้าไปอีกคือเหลือแต่คำพู้เจ้าเพียวเพียวไม่ถูกปะ ป, ะปนหรือปนเ ป, ปื้นด้วยคำสาวก ก็กาลังมีแบบพุทธวัจนสถานบันไหมสมาคมก็มีนักธุรกิจใหญ่ลายหนึ่งก็กําลังรวบรวมสร้างอาคารขนาดนี้ให้ยาว170เมตรเกือบ200เมตรแล้วก็กว้างประมาณ40เมตร ก็จะเป็นพุทธวัจนะสมาคมนะสอนแต่พุทธวัจนะแล ะ, ะการเป็นกองทุนสำหรับพิมพ์สื่อธรรมะทุกประเภทที่เป็นพุทธวัจนนะนะเราก็จะมีที่สอนที่ฝึกศึกษาทั้งคารวาทั้งพระตอนนี้ก็ <c oughs> อาคารนี้ก็จะผลิตได้ทีละเป็นพันคนนะอาคารก็สามารถจุดได้พันกว่าคนนะอบรมทีพร้อมพอมกัน พันคนได้นะจะได้สร้างความรู้ให้คนไปทีละพึ๊บพึ๊บบออกไปนะให้เป็นกำลังให้พระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เขาคาดว่าจะเสร็จในสามปีก็ตอนนี้อีกสี่เดือนน่าจะเขียนแบบละเอียดเสร็จตอนนี้แบบคร่าวๆก็ลงตัวละนะ ก็เอาโสมาร์กจบสตาร์พนิกมาพอดีก็ได้ช่วยออกรูปแบบการใช้งานแล้วก็ให้บริษัทสตารพนิกที่ทางเจ้าภาพเขาหามาให้เนี่ยลงแบบแปลนรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ก็กำลังค่อยๆดำเนินการไปก็เลยเอาให้พวกเราได้ทราบนะว่า ตอนนี้ก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆหรืออย่างที่กลุ่มพระนะอย่างไปดูที่บุรีลัมสรินรอะไรเนี่ยนะแล้วก็บรรยายให้พระฟังที่ถ้ำดาวเขาแก้วนิธิโกลาศก็พระสี0ร้อยยญาติโยมอีกสามสีร้อยนะเจ็ดแปดร้อยคน ฟังเพื่อให้เข้าใจพุทธวจนะนี่วัดป่าเขากระเจียวที่บุรีลำนะนี่พระสี่ร้อยาก็อธิบายเรื่องพุทธวจนะนี่แหละซึ่งพระก็ไม่รู้เหมือนกันถามพระรักษาสินกี่ข้อพระทุกองก็จะตอบสองทั้งๆถ้ามันมีสองพันกว่าข้อทุกคนจะถูกฝังหัวมาสองเจหมดเลยนะซึ่งไม่มีในพุทธวจนะคำถามมีมากมายเป็นปึง้งเหมือนอย่างเราเนี้ยว่าถามกันเต็มเลยนะ ใครดูดีวดีแผ่นนี้จะสนุกมากนะฟาดฟันกันหน้าดูอันนี้ที่สุรินพระออกเจ็ดร้อยวัดป่าบ้านผือนะก็เหมือนเดิมนะรวมแล้วหลายๆที่เนี่ยเป็นพันองค์เนี่ยพระก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้จักพุทธวจนะคำศาสด า, าตัวเองเนี่ยรู้จักแต่คำอาจารย์น ะ, นะอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงอาหลวงลุงองค์นั้นองนี้น แต่ศาสดาเราพูดอะไรไม่รู้นะสวดบทเก่งหมดเลยนะที่อาจารย์ตัวเองแนะนํามาแต่ถามพระผู้เจ้าสวดอะไรไม่รู้ไม่มีพระรู้เลยว่ากฎอิทับ ป, จปัจจิตาปฏิจจสุบาส น, นะถามพระแก้กรรมยังไงมีใครสักองค์ที่รู้ยกมือตอบหน่อยไม่มีเหมือนกันนะพระไม่รู้ว่าผู้เจ้าสอนแก้กรรมยังไง มักปีองค์8เป็นวิธีแก้กรรมที่พระเจ้าจัดเอาไว้เนี่ยเห็นหั้มหลักๆนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็เลยมีพระที่เข้าใจและสนใจก็ได้มาลงชื่อไว้ก็สามร้อยกว่าองค์ในหนึ่งร้อยวัดสี่สิบแปดจังหวัดตอนนี้ แต่ก็ยังต้องให้ท่านต้องนั่งศึกษาปฏิบัติกันไปอีก น, นะแล้วก็ต้องปรับตัวเองจากที่เป็นเพราะนี่คือเราเจาะไปในกลุ่มวัดบ้านนะซึ่งเขาไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่มีครูอาจารย์ศิลวินยัยเละเทอะไรเราต้องไปล้างสมองกันใหม่อ่ะนะอืมแล้วก็มีพระยี่สิหกวัดได้เข้ามาฝึกที่วัดอาตมาชุดแรกนะก็นี่ ชุดแรกนะอาจารย์สุจินนะนี่เป็นผู้รวบรวมพระมานะแต่ละที่นะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ทุดงที่โคลาท่านกว้างขวางในโคลาท่านก็บอกว่าพุทธวจนะต้องเข้าไปปักหลักที่อีสานก่อนเ พ, พาราะไพศาลจำนวนมากเนี่ยยังไม่เข้าใจนะเรื่องพุทธวจนะก็เป็นระบบอาจาริวาสซะเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องไป กลุ่มนี้แล้วก็ตั้งฐานเผยแผ่ที่นั่นแล้วตัวท่านกว้างขวางในโคราชอยู่แล้วท่านบอกว่าท่านจะได้ประสานได้ง่ายเห็นจีวรหลากสีเนี่ยเห็นนะบาดก็ไม่ได้ระบมด้วยไฟเงาวาววับเลย <c oughs> แล้วมาเปลี่ยนใหม่หมดฝึกให้ท่านซักย้อมจีวรเป็นน ะ, ะจีวรย้อมยังไง <c oughs> เปลือกมังคุดแก่นขนุนลากไม้ใบไม้ไมกิ่งไม้นะ ท่านระบมบาดด้วยไฟบาดในนะระบมด้วยความร้อนมันจะสีดำเห็นไหมสีเงินกับสีดำมันต่างกันเลยนะอันนี้สีเงาวางไม่ได้ระบมนี้ระบมแล้วไม่ใช่ไปพ่นสีวัดบ้านทัว่วไปก็พ่นสีสเปรย์ฟืดเรียบร้อยน ะ, อะก็ง่ายไปนิดหนึ่งเ <c oughs> นี่ยก็ได้ได้ความศรัทธาจากพระทั้งยี่สิบหกวัดนี้มากบอกว่าอยากให้จัดต่อเรื่อยๆ อาจารย์สุจินท์ก็รับไปประสานเพราะท่านจะได้รับความรู้มากมายที่ท่านไม่เคยได้มีใครสอนท่านมานะแล้วท่านก็จะนำไปนะเผยแผ่ในจังหวัดของท่านในวัดของท่านแล้วเราก็แจกโนต้ตบุ๊กอย่างนี้กับทุกองค์อัดข้อมูลให้เต็มนะท่านต้องมีข้อมูลเท่ากับเราญนะาติโยมที่มีศรัทธาก็มาเป็นเจ้าภาพโนต้ตบุ๊กคนละ เครื่องแล้วก็เอาแจกให้ท่านไปนะท่านก็จะได้มีไปสอนนะในวัดกันในจังหวัดของท่านถ้าองค์ไหนท่านเล่นไม่เป็นก็อย่างอาตมาเล่นไม่เป็นอาตมา ก, ก็หาบัต ด, ดีมาองค์หนึ่งน ะ, ะให้ท่านช่วยทําให้อย่างเนี้ยก็ใช้หลักการนี้แหละก็จะค่อยคอยขยายไปเรื่อยเรื่อยนะถ้าพระเราทุกทุกองค์หรือทุกวัด สอนคําพระศาสดาหมดโยมก็จะไม่มีข้อแตกต่างโยมจะไปวัดไหนก็จะเหมือนกันญาติโยมก็จะคุยธรรมะกันได้ลงตัวนะไม่ต้องไปถามว่าเธอสายไหนนะเธอสายไหนคนละสายมันคุยธรรมะกันไม่ได้ภาคก็เหมือนกันเจอกันคุยธรรมะกันไม่ได้เพราะว่าคนละสายคนละครูบาอาจารย์ใช่ไหมอันนี้ท่องคํำบริกรรมไอ้นี่นั่งดูลูกแก้วไอ้นี่นั่งดูลมไอ้นี่ ไปอย่างว่าโอ้โหมันจะคุยกันลงตัวไหมเนี่ยนะอืมต่างคนต่างก็อ้างอาจารย์ตัวเองหลวงพ่อฉันเก่งสุดนะอืมเมื่อเช้าก็มาที่วัดบอกโอ้โหเหมือนกันเลยบอกมาเจอพุทธวจนะเนี่ยนะแต่ก่อนก็เหมือนกันนี่พี่น้องผู้หญิงสองคนมานั่งเถียงกันนะ่ะไอพี่ก็ดึงน้องมาทางพี่ไอ้น้องก็ดึงพี่มาทางน้องบอกอาจารย์ฉันเก่งนี่ก็บอกอาจารย์ฉันเก่งนะไอนี้พูด ธรรมะอาจารย์เข้ามาเขาก็พูดธรรมะอาจารย์เข้าไปนี่นะนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าทุกคนพูดธรรมะพระศาสดาง่ายเลยไม่มีปัญหาก็พระเจ้าองค์เดียวกันถ้าไม่ตรงกันก็ตรวจได้ก็เอาไปสแกนในโปรแกรมแผ่นนี้ก็เช็คได้แล้วนะก็เนี่ยพยายามหามาตรฐานให้ชาวพุทธให้แล้วก็พยายามแจกหลักฐานให้มากวิธีตรวจสอบให้ได้เร็ว จะได้ทัน อ, อกทันใจหน่อยแล้วก็เมื่อคืนพวกเราก็คงได้เห็นเอาโสไปบูลที่ท่านจะเขียนโปรแกรมให้ลงใน iPhone iPod ต่างๆนะแล้วก็ดีเมื่อคืนไม่มียมโก้มาด้วยยมโก้จะเขียนลงในระบบของ Android นะอีกหน่อยยมก็สแกนในมือถือได้นะใครสงสัยคำอะไรว่าเอ๊ะ แต่พระองค์นี้พูดเรื่องนี้นี่ผู้เจ้าพูดตรงกับผู้เจ้าหรือเปล่าโยมก็สแกนแป๊บเดียวนะหรือที่มีโยมผู้ชายเมื่อวานถามว่าไฟประไลกันสแกนสักพักหนึ่งสัก5านาทีก็ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วว่าอ๋ออยู่ในอภิธรรมทั้งหมดเลยเป็นอัธกถาทั้งหมดนะอย่างนี้เราก็ชัดเจนก็ไม่ต้องไปสนใจนะมันก็จะมีเรื่องของสำนวนที่อาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สันวนเดียวกันซึ่งก็จะมีพระสูตรที่มี ไฟล้างโลกอย่างนี้เหมือนกันเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนเข้ามาผ่านโลกถึง7ดวงนะซึ่งพระเจ้าก็จะบอกว่าอีกหลายแสนปีจะมียุคฝนแรงนะพืชพันธัญญาหารจะตายหมดโลกนะแล้วก็ต่อไปพระเจ้าก็บอกอีกการนานไกลแสดงว่าเลยหลายแสนปีนานมากดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏนะห้วยหนองคลองบึงนะก็จะเหือดแห้ง แล้วก็ต่อไปบอกอีกการนานไกลก็คงอีกนานมากดวงที่ดวงที่สามก็จะปรากฏนะแม่น้ําจะเหือดแห้งนะอีการนานไกลดวงที่4ปรากฏมหาสะต้นน้ําของแม่น้ําจะเหือดแห้งนะอีกการนานไกลดว ง, งที่5ปรากฏทะเลแห้งนะค่อยๆแห้งไปทีนิดทีนิดจนหม ด, ดเกลี้ยงเลยแล้วก็อีกการนานไกลดวงที่6ปรากฏแผ่นดินเริ่มละอุนะแล้วก็บอกอีกการนานไกล ดวงที่เจ็ดปรากฏผิวโลกละลายนะซึ่งแต่ละดวงที่ผ่านมาเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยใครเล่าจะรู้ได้ว่ามหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้จะละลายไปได้นะนอกจากผู้มียานอันเห็นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆทำไปแล้วเราก็ในกลุ่มของคารวา ก็ส่งเสริมไปที่ไหนนะกลุ่มของครูโรงเรียนวิถีพุทธอีกพันกว่าโรงเรียนนะสภาคที่เสถียรธรรมสถานมาอบรมที่นั่นแม่ชีสรนสนีก็นิมนต์อาตมาให้ไปให้ความรู้ด้านพุทธวจนะกับผู้อำนวยการโรงเรียนนี่ระดับผู้อำนวยการทั้งหมด4ภาคของประเทศไทยหนึ่พกว่าโรงเรียนแต่ละอาทิตย์ก็ภาคหนึ่งแต่ละอาทิตย์ก็ภาคหนึ่งรวมแล้วไปอบรมมา5ครั้ง ซึ่งเขาก็ตอบรับมาอย่างคนหนึ่งเขาฟังเขาฟังไงออกเสียงมีเสียงออกไมนี่ออกถอยปเปิดเสียงได้ยังไงดีไมล์หรือมีมหมไม่จอเอาไม้จอ อ่นหนังสือเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ไปแจกในซีดงซดข้อมูลเราขนไปแจกให้เพราะเข้าเป็นครูนะนักเรียนในโรงเรียนเข้า1ัน0อ0 0คนนี่มันจะได้ข้อมูลเขาไป Copy CD พรึบแจกไปพิมพ์หนังสือแจกนี่ก็อีกคณะหนึ่ง อันนี้เขาก็จะตั้งใจตร ง, ตรงนี้เนี่ยขยายไปโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมดมแล้วเขาก็บอกเขาก็เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพอทำได้เราก็จะได้ผู้ที่มายืนเคียงข้างพระศาสดาเป็นกำลังให้ผู้เจ้าเนี่ยอีกจำนวนมากพอสมควร น, นี่ก็ค่อยๆขยายไป ดีไหมคำพู้เจ้าได้กลับนะขึ้นมาในสังคมชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> นะมีคำถามใช่ไหมรองเชิญครับมีคาถามมา30คําคำถามนะครับข้อแรกอยากทราบว่าการถือศีลห้ากับศีลแปดมีอ น, นิสงตางกันอย่างไรครับก็ศีลห้าเป็นคุณธรรมพระโสดบาบันแล้วนะ สิน8เนี่ยข้อสามเนี่ยประพฤติปรมาจันนะก็ควบคุมความพอใจไม่พอใจทางอายะยนะของกายเนี่ยเข้มงวดขึ้นนะก็สามารถขยับฐานะได้ถึงอนาคามีบุคคล น, ลนั่นแหละนะสินห้าเาโสดาสกิธาคาไปก่อนเวลานั่งสมาธิสติระลึกรู้รรลมหายใจเข้าออก พอมาเมื่อลมละเอียดขึ้นลมเข้าออกหายไปถามว่าให้สติเราได้รู้อยู่กับอะไรในขนาดนั้นครับอยู่กับความว่างไงความนิ่งความว่างครูเจ้าก็บอกอัศา ส, าสาสะปัสสาสะดับนะแล้วก็เฝ้าดูจิตต่อไปที่อยู่กับสัญญาอนนั้นสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญาเจ็ดระดับแรกเนี่ยเป็นสัญญาหมดชั้น4นะี่ะที่โยมบอก ตัวอัสสาสาะภาษาสะดับเนี่ยเป็นเครื่องวัดจัดตุตฌานฌานที่4นะก็ยังเป็นสัญญาอันหนึ่งขึ้นมาอากาสาก็ยังเป็นสมาธิที่เป็นสัญญาวิญญาณัญจานะก็ยังเป็นสัญญาอากินจัญญายนะก็ยังเป็นสัญญานะเระดับแรกพระเจ้าจะเรียกสัญญาสมาบัตินะสมาธิที่ <c oughs> ยังอาศัยสัญญา จนขึ้นมาในวสัญญานี่มีบ้างไม่มีบ้างแล้วถึงสัญญาเวทิตก็คือสัญญาดับก็อยู่กับความนิ่งนั้นต่อไปอแล้วสิ่งที่ทำต่อก็คือเห็นการเกิดดับสมาธิเจระดับแรกผู้เจ้ายืนยันว่ายังมีขันธ์ห้าเกิดดับอยู่4ขั้นแรกขันธ์ห้าเกิดดับ สขั้นต่อมาให้ดูขันศีรเกิดดับเพราะว่าวางรูปประสัญญาได้แล้วพอขึ้นอากาสาเนื้อรูปประสัญญาดับสนิทนะอันนี้สาวกก็จะพูดผิดกันเยอะนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดว่าจตุตฌานคือฌานที่4ี่เนี่ยแยกรูปได้แล้วแต่ยังไม่ได้จะแยกรูปสนิทในอาการสานันจายตนะนะเพราะว่า ชาติหนึ่งสองสามสี่ผู้เจ้าบอกขันทั้งห้ายังทำงานอยู่ให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับขันทั้งห้าเพราะนั้นรูประขันจะไม่มีในอากาสานัญจายทนะอย่างนี้เพราะนั้นความละเอียดตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่สาวกมองไม่เห็นแล้วก็จะเริ่มบัญญัติผิดนะเราจะเราก็จะเข้าใจผิดไปด้วยนะนักปฏิบัตินักภาวนาก็จะเข้าใจผิดกันไปนะ <c oughs> ทำไมเวลานั่งสมาธิไปได้สักพักจึงมีอาการบางครั้งผงะไปข้างหน้าบางครั้งข้างซ้ายข้างขวาหรือบางทีก็เคยถงะไปข้างหลังเกิดจากสาเหตุใดและตามรู้ไปเฉยๆหรือควรแก้ไขครับมันเผลอขณะจิตแว บ, บเดียวนะการสติไปแป๊บหนึ่งนะก็รับรู้แล้วตั้งสติดีๆนะถ้าเราจิตเรา นิ่งแน่นมั่นคงเนี่ยมันจะไม่มีอาการนี้พระศาสดาบอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงและบัญญัติธรรมอันเป็นเครื่องสะดุง้งนะว่าความสะดุง้งหวาดเสียวสันคลอนแห่งจิตนั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะเพราะนั้นการที่เรายังมีอุปทานในขันธ์ทั้ง5าอันนี้เป็นทำให้เกิดความสะดุ้งขึ้นมานะเกิดความหวาดเสียวเกิดความสันคลอนแห่งจิต ว่ายังมีอุปทานในขันท่าอยู่นะเพราะนั้นเราก็แก้ด้วยการฝึกไม่ลืมหลงในลมนะอย่างที่พระศาสดาบอกขอถามคำถามเบสิกเรื่องการนั่งวิปัสสนากรณีตามดูการเคลื่อนกระบังลมกระบังลมอันนี้ง่ายแต่กรณีจับดูการหายใจก่อความกรุณาแจ้งให้หัวใต้น้ำทราบด้วยว่าคือการตามดูลมที่เข้าออก วงเล็บไปลึกแค่ไหนหรือไม่หรือดูการหายใจซึ่งจะเป็นการดูร่างกายใช่ไหมใช่อวัยวะหลายส่วนหรือเป็นการวางจิตวงเล็บ ร, รับรู้ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งวงเล็บเช่นปลายจมูกช่องจมูกซึ่งจะรับรู้สัมผัสลมที่เข้าออกได้ซึ่งแต่ละกรณีหลอกตัวเองง่ายหรือเกินขอความกรุณาอธิบายด้วยเนื่องจากสับสนและเพิ่งมาสายดีครับอือก็เนี่ยเพราะว่าโ ย, ยมไปฟัง สาวกพูดมาเยอะนะอาตมาก็ถูกสอนมาอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะพอมาดูพระสัสดาแล้วเรามาลองทําตามที่ศัสดาบอกพอเราชํานาญแล้วมันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายธาตุดินเลยอย่างที่ผู้เจ้าบอกไว้จริงๆริงเพราะนั้นใน32พระสูตรที่ผู้เจ้าตัดไว้ในอาณาปานาสติไม่เคยบอกว่ากระบังลมท้องพุงสะดือหน้าอกริมฝีปากช่องจมูกริม นะปลายจมูกหรื อ, อไหลไม่เคยเอาไปเกี่ยวข้องกับร่างกายที่เป็นส่วนธาตุดินเลยก็บอกแต่ว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาความรู้หรือจิตนะ่อยู่กับตัวธาตุลมที่ไหลเข้าไหลออกนะอุปมาเหมือนช่างกลึงเนี่ยดึงเชือกยาวดึงเชือกสั้นดึงเชือกยาวดึงเชือกสั้นบ้างอย่างนี้เห็นนะอยู่กับตัวเชือกคือตัวลมเนี่ยที่มันไหลเข้าไหลออก พระโยมไม่เคยได้ยินคําพระศาสดาอย่างนี้โยมก็เอาสัญญาเก่าๆเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคนโน้นก็บอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จริ ง, รงๆไม่ต้องงงเลยโยมดีลิทของเก่าเนี่ยจบไปเลยปั้งโยมใส่ข้อมูลใหม่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้โยมกราบพระุทธเจ้าตอนนี้พระุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้แล้วโยมจะเอาคําของใครมายันกับพระพุทธเจ้าโยมก็ต้องทิ้งคําเก่าทิ้งคาคนนั้นคนนี้สัญญาเก่าๆ ที่ทรงจำมาผิดแต่งเติมบ้างเกินบ้างขาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาทำความเข้าใจกับคำพระเจ้าแค่นี้นะพระเจ้าสอนแค่นี้นั่งและไม่ได้อ่านใหม่พระเจ้าบอกอยังไงหายใจเข้ายาวรู้ออกจากเอาใหม่สิลองทำทำยังไม่ได้อ่านใหม่มีอะไรอีกไหมอ๋อเหมือนจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมืออา้าลองทำในใจใหม่นะ น้อไปลายรู้ลม ก, ก็เดี๋ยวก็ได้เยมน ะ, ะไม่ยากหรอกโยมอย่าไปกังวลอะไรแค่นั้นเองโยมต้องมั่นใจว่าโอ้เราโชคดีที่สุดเลยที่มาได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาโชคดีนะที่ไม่ผิดไปอีกยาวใช่ไหมโชคดีแล้วในชีวิตที่ไม่ง่ายนะักของระบบชีวิตที่เกิดมาแม้จะเป็นเทวดาพรมแล้วจะมาเจอพระพุทธเจ้า แล้วจะได้มาฟังคําสอนพระศาสดาตรงๆเพียวๆอย่างนี้นะพอเรารู้สึกถึงความโชคดีอย่างนี้เราก็จะพยายามน้อมจิตมาทําความเข้าใจกับคําพระพุทธเจ้านะพอโยมฟังคําสาวกคนนั้นคนนี้บางทีก็ไม่เข้าใจก็ต้องทําความเข้าใจกับของท่านเหมือนกันตอนนี้เราเปลี่ยนมาเพียรพยายามที่จะทําความเข้าใจกับสิ่งที่ศาสดา พ, พูดซึ่งเป็นคําที่เป็นอากาลิโกและไม่มีข้อผิดเอ๊จะทํำยังไงนะหาแง่มุมสิ ค่อยๆหาแง่มุมไปหาเดี๋ยวก็ได้นะไม่ต้องไปอยู่ที่ส่วนใดของทาบดิ น, นรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่เนี้จิตเคลื่อนจากลมไปเมื่อไรกลับมามันจะลึกมันจะไม่ลึกเรื่องของมันไม่ใช่ว่าต้องไปลึกถึงนั่นถึงนี่นั่นก็ฟังข้อมูลมาอีกต้องลึกนะต้องตื่นนะพุทธเจ้า สั้นก็สั้นยาวก็ยาวสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นไม่ใช่สั้นแล้วจะไปยาวหรือถ้ามันยาวก็ไม่ต้องไปบังคับให้สั้นยาวก็ปล่อยยาวสั้นก็ปล่อยสั้นปล่อยเป็นธรรมชาติของมันนะจริงๆมันง่ายที่สุดเลยพระเจ้าตรัสสอนเนี่ยตรงๆง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องไปอิงอะไรนะแค่เอาใจอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกจบละถ้าลืมลมปุ๊บพเจ้าก็บอกกลับมาที่ลมหายใจ สติสัมโพชฌงายอมไปดูสิพิกษุทนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในอะไรใช้ลมตั้งก็อย่าลืมลมใช้อุเบกขาก็อย่าลืมอุเบกขาอยู่ที่โยมใช้สติปัฏฐานสี่ตั้งไว้ในอะไรแค่นั้นเองนะเนี่ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช้เวลาสักพักหนึ่งในขณะที่จเจริญอาณาปานสติมองเล็บนั่สมาธิ วิญญาณวนเวียนก่อนที่สัญญาบ้างสังขารบ้างเวทนาบ้างและในขณะที่ระลึกได้ก็จะละอันทิตโดยทันทีและกลับไปรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ผู้ถามได้สังเกตว่าตรงลอยต่อในขณะที่ระลึกได้ก่อนจะไปรู้ลมเหมือนว่ามีช่องว่างซึ่งผู้ถามไม่ทราบว่าวิญญาณไปเกาะ อ, อะไรสิ่งไหนอยู่ขอเลี้ยงถามพระเจ้ากุณนานให้ความกระจา่างอีกข้อนึงถามว่าเมื่อทราบจากข่าววันเสาวเกี่ยวกับสิ่งแปผู้ถามก็ตั้งใจจะรักษาให้ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าบัญญัติ คือรับข้าววันละหนึ่งมือเริ่มตั้งแต่วันนี้วิอเชานะครับพูดถามเกาเรียนถามว่าถ้าตอนสายก่อนเที่ยงวันพูดถามดื่มโอวันตินที่ใส่นมหรือคอฟฟี่เมดจะนับเป็นอีกหนึ่งมือหรือไม่เพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องคนอแรกถามว่าแม่ชีไม่ได้มีมาแต่ครั้งพุทธกาลใช่หรือไม่แม่ชีและสมเดีจมือหรือแตกต่างกันอย่างไรและการศึกษาของพระภิกษุในเมืองไทยเช่นประเด็นธรรมต่างๆ พระพุทธจะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใช้วันทั้งวันหมดไปกับการเล่าเรียนขอทราบความเห็นพระอาจารย์ด้วยทำอย่างไรถึงจะสอนพุทธจชนะในสถาบันส่งได้ครับ ตรงยตนีตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะไปเกาะอุเบกขาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจิตเร็วมากเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับอุเบกขาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนอารมณ์ ถ้ามันไปเกาะอุเบกขาถ้าเกิดมันผ่านผ่านที่เรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบที่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นเป็นหนทางสู่วิมุตเป็นสภาวะของวิมุตเนี่ยมันผ่านไปละหนึ่งสเต็ปไปเกาะอุเบกขาผ่านไปละหนึ่งสเต็ปมาเกาะลมนี้แต่ช่วงนี้มันปั๊บมันเร็วมากนะตรงนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจอะไรเพียงแต่ว่า ให้เห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ทิ้งอารมณ์ให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นนะต่อไปก็จะเริ่มเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสติเราเร็วขึ้นเท่าไหร่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยชัดเจนขึ้นทราบจากคําบรรเสาร์สินแปดน ะ, <c oughs> ะก็ดีก็ได้นะ ก็ทำตามที่พระศาสดาบัญญัตินะการเป็นผู้ละความเห็นได้ง่ายก็อยู่ในสันเลขธรรมนะเป็นธรรมเครื่องขูดเกาคิเลสนะเมื่อเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นผู้ที่ละความเห็นผิดได้ง่ายไม่ยึดถือเหนียวแน่นนะในความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เป็นผู้แข่งดีลิษยาตรณีโออวดมานยากระด้างดูมิ่นท่านเป็นผู้ว่ายากมีมิรชั่วประมาทนะไม่มีฮิริโอตปะสังสมสุตตะน้อยเป็นผู้ขี้เกียจเนี่ยเราต้องขูดเกาไม่ให้สิ่งเหล่านี้มีนะสันเลกธรรม นั้นวันละหนึ่งมือ้อตอนสายนะก็ฉันของกืนล่วงลําคอยอีก3อย่างได้คือน้ำปา น, นะน้ำที่คั้นจากผลไม้ทุกชนิดได้นะอย่างที่2ที่เรียกว่าสตากาลิก5อย่างเนยใยเนยน้นน้ำมันน้าพึง่งน้ำอ้อยนะไดนะ้อย่างที่3เรียกว่ายาวชีวิตที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ก็คือส่วนของต้นไม้นะใบไม้รากไม้ ก่นไม้เปลือกไม้อย่างนี้นะก็ยังฉันได้ฉันเป็นยานะกรณีดื่มโอวันตินนะที่ใส่นมนมผู้เจ้าจัดเป็นอาหารนะก็จะไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าใส่คอฟฟี่เมดก็ได้อยู่นะไม่ไดออ้อยู่ในกลุ่มของนมก็อยู่ที่คอฟฟี่เมดเขาทำยังไงผสมอะไรบางทีเขาเกิดคอฟฟี่เมดผสมนมก็ ให้ไปดูที่ส่วนประกอบจะไม่ได้จัดเป็นอีกหนึ่งมือเพราะว่าผู้เจ้าอนุญาตให้ของกลืนล่วงลำคออีกสามอย่างที่บอกเนี่ยยามกาลิกยาวัตหาหกาลิกยาวชีวิกสามอย่างเนี่ยฉันนอกการได้ตลอดเวลาแม่ชีไม่ได้มีแต่ครั้งพุทธกาลแม่ชีก็คื อ, อ อุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เรียกว่าโ อ, โอดาตวัฒนานะข้ารหัสผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรยนะ์มีทั้งชายและหญิงอุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรยนะ์โดยละเอียดผู้เจ้าก็จะแบ่งอุบาสกอุบาสิกาเป็นอีกอย่างละสองรวมแล้วพุทธบริษัทของพระองค์ก็มี6กระดับ ส่วนสมัมเนรีคือผู้ที่เตรียมจะบวชเตรียมจะขึ้นมาบวชเป็นภิกษุณีนะถือศีล10แต่ก่อนเป็นภิกษุณีต้องผ่านสิกขานาอีกขั้นตอนหนึ่งนะซึ่งสิกขานาก็ถือศีล6แต่ล็อกสองปีห้ามบกพร่องมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวถ้าบกพร่องนะวันใดวันหนึ่งเริ่มต้นนับใหม่นะ ก็เลยทำให้ภิกษุณีบวชยากมาติดขั้นสิกขานาอีกขั้นหนึ่งและพอพร้อมบวชได้แล้วเนี่ยก็ต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายคือเริ่มบวชจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาบวชในภิกษุสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งต้องบวชสองเที่ยวนี่ก็ความแตกต่างของเรื่องสัมเณรีกับแม่ชีการศึกษาในภิกษุเมืองไทย กเรียนรมต่างๆเนี่ยนะยังไม่ได้เป็นพุทธวจนะนักธรรมตีโทเอกก็ยังใช้อัธกถากันน ะ, <c oughs> ระเรียนธรรมต่างๆก็เป็นการเรียนแปลภาษาบาลีบาลีเป็นไทยไทยเป็นบาลีเหมือนโยมเรียนภาษาอังกฤษยอย่างเี้ยน ะ, ะเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนี่ก็เขียนเรียงความภาษาบาลีนะแปลกลับไปกลับมาแต่กลับไปใช้ การแปลที่เป็นอัธกถาเนี่ยประเลียนยังมีอยู่ก็ได้เป็นสิ่งที่ดีที่เรียนบาลีเพียงแต่ใช้การแปลและหลักในการแปลที่เป็นพุทธวจนะก็จบแล้วแค่นี้นะก็กลับไปใช้พุทธวจนะแค่นั้นเองนะเพราะพุทธวจนะก็มีคำบาลีนะถ้าเขาทำอย่างนี้ก็จะทำให้เขาได้ศึกษาคำพระศาสดาไปด้วย ซึ่งกลายเป็นว่าพอเรียนถึงปะเรียนทำก้าวเนี่ยก็ไม่ดูเรื่องพุทธวจนะอีกเหมือนกันนะแต่รู้แต่ข้อมูลอัิกถาเต็ไมไปหมดเลยนะเสียดายความทรงจำที่ดีๆพวกนี้ความทรงจำดีทั้งนั้นกว่าจะเรียนจบมาได้ถ้าเอาไปจำในสิ่งที่ควรจำจะเกิดประโยชน์มากนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้นำสงของเราเห็นคุณค่าของคำสัสดาเราหรือเปล่า เพราะไอาการที่คิดว่าคำผู้เจ้ายากต้องมาศึกษาคําสาวกก่อนโอ้โหหลักการนี้ไม่รู้ใครพูดมาเนี่ยมันเสียหายมากจนเสียหายมาถึงปัจจุบันแย้งคํำผู้เจ้ากลัวคํำผู้เจ้าจนกระทั่งจนตายเลยไม่ได้อ่านคํำผู้เจ้าสักประโยคนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงบอกให้เข้าไปศึกษาคําพระองค์โดยตรงเลยไม่ต้องไปศึกษาคําใคร พอเรามีหลักการตรงนั้นเราก็นั่งเรียนแต่คําสาวกไปหมดเลยก็เลยนั่งเรียนข้อมูลผิดไปยัน7ปี10ปีนั่นนะ่ะไปเรื่อยๆแทนที่เจปี10ปีเนี่ยจะมานั่งเรียนคําศาสนามันโอ๊ยไม่ไม่ใช่เข้าใจา ย, ยากหรอกมันคิดกันไปเองนะง่ายตรงนะและถูกต้องด้วยสําคัญคือถูกต้องง่ายยากเรา เราอย่าเพิ่งไปพูดเอาความถูกต้องมาก่อนว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋อคำพระเจ้าใช่ไหมถ้าข้อมูลถูกต้องอยู่ตรงนี้ยากก็ต้องเรียนโยมปเปลียนเนี่ยที่เรียนกันหนึ่งถึงเาเนี่ยคำสาวกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคนไม่จบก็เยอะไอ้จบก็มีนะเพราะฉนั้นไม่ใช่หมูหรอกคาสาวกบอกหมูหมูเนี่ยไม่จบกันก็บานเลยนะไปสอบหมื่นคนนี่จะผ่านกันสักกี่คนจํากันไม่ไหวนะ่ะ เพราะนั้นเอามาจำคําผู้เจ้าไม่ดีกว่าเหรอตําราที่เป็นของสาวกเนะี่ยนี่ของผู้เจ้าเนี่ยห้าเล่มแค่นี้แต่ตําราสาวกมากกว่านะประเรียน1 1งหนึ่งยอมไปดูตําราเป็นตั้งๆตั้ ง, ง, ง, ง, ง, งกองเต็มไปหมดเลยมหาสาะระฉนนั้นคําผู้เจ้าอาตามาว่าอย่างไงก็ง่ายกว่าและถูกต้องด้วยสาคัญคือต้องเอาเรื่องถูกต้องมาก่อน ก็คิดว่าในอนาคตคงจะค่อยๆปรับไปได้นะถ้าทุกคนค่อยๆเข้าใจมีวิธีการตรวจสอบมีหลักฐานข้อมูลเราก็จะพยายามทำหลักฐานให้มากถ้าอาตมาดูแล้วนี่ญาติโยมที่มามาวัดอาตมาบ่อยๆแล้วก็ศึกษาพุทธวจนะโอ้โหจะมีความคล่องมากกว่าพระเยอะมากเลย พอเราไปดูกับพระที่อื่นแล้วโอ้โหนี่ถ้ามานั่งคุยกับญาติโยมเราในเสร็จเลย น, นั่นี่ญาติโยมเรารู้คำพระศาสดามากกว่าเยอะมากนะและมันถูกต้องด้วยท่านก็ถือถือข้อมูลผิดๆนะรู้ผิดเยอะมากเลยนะก็ค่อยๆปรับไปละกันเราเกิดมาในยุคที่คำผิดมันมากกว่าคำถูกนะมันก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลง อนาปานสติสามารถปฏิบัติได้เฉพาะผู้ที่มีลมหายใจใช่หรือไม่ดังนั้นผู้ที่อยู่ในฌานสี่เทวดาผู้มีสมาธิเป็นอาหารจะทำอานาปานาสติได้หรือไม่อย่างไรและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่จะเจริญอานาปานาสติได้หรือไม่อย่างไรครับก็ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจอ่ะรับรู้ลมได้ไหมละ่ะถ้ารับรู้ลมได้ก็ได้ส่วน ผู้ที่อยู่ในชั้นสจะเข้าชั้นสีได้ก็ต้องผ่านอานาปาอยู่อย่างดีแหละผู้เจ้าบอกว่าอนาปานสี่อนิสงส์จะเป็นเหตุให้ได้สมาธิทั้ง9้าระดับนะสขึ้นไปนะก็ได้หมดเพราะพื้นฐานจากอานาปาเพระนั้นอานาปาเป็นพื้นฐานที่จะให้ได้สมาธิทั้ง9้าระดับจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่า ลมคือรูปนี้เป็นอย่างไรและไม่มีลมเป็นอย่างไรคือไม่มีรูปเป็นอย่างไรเขาก็จะเริ่มเข้าใจในระดับของการไม่มีรูปที่เป็นอากาศานะขึ้นไปวิญญาอากินไล่ไปตามลำดับโดยอาศัยพื้นฐานจากลมได้ทั้งนั้นนะปฏิบัติได้ไหมได้หมดนะพอขึ้นไปในสมาธิแต่ละขั้น ลมไม่มีแล้วก็จะมีชื่อสมาธิในแต่ละขั้นนั้นและพู้เจ้าก็จะบอกวิธีในการหลุดพ้นของสมาธิขั้นนั้นๆต่อไปและเวลาที่พูะเจ้าอธิบายเรื่องอสติปัฏฐานสด้วยอาณาปานสติพระองค์ไม่ได้อธิบายไปจนลมหมดพระาศาสดาอธิบายภายใต้ลมหายใจที่ยังไหลเข้าไหลออกอยู่ จนกระทั่งถึงวิชาวิมุตต์หลุดพ้นนะวันนั้นขั้นตอนตั้งแต่ลมอานาปาบริบูรณ์สติปฐานบริบูรณ์โพชดชงเจ็บริบูรณ์วิชาวิมุตต์บริบูรณ์ทุกขั้นตอนถึงโพชดชงเจ็บริบูรณ์จนถึงอุเบกขาสามัมพอดชงยังมีลมไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเลยจิตปกตินี่แหละสามารถเข้าวิมุตต์ได้ โยมจะไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องทาจิตให้มันแปลกพิสดารลึกซึ้งปราณีตอะไรไปมากมายก็คือมีลมไหลเข้าไหลออกเนี่ยธรรมดาธรรมดาอย่างนี้หลุดพ้นได้แล้วนี่ไม่ใช่เป็นการยากแต่เป็นการง่ายซะอีกเพราะคนจะเข้าชาญนสี่ได้ไม่ไม่ใช่หมูนะพระยังนั่งทากันแทบเป็นแทบตายใคอีองหนึ่งที่อยู่กาตมานบวชมา 16ปีก็ยังเข้าชานสีไม่ได้ปีนั้นก็เกิดฟิตก็บอกเฮ้ยครึกฤทธิ์เดี๋ยวผมจะต้องทำชานสีให้ได้นะเดือนนี้ของงดอาหารเดือนหนึ่งนะเดินนั่งอย่างเดียวท่านอยู่กับตาเนี่ยสององค์นะท่านไม่ฉันอาหารเลยเดือนหนึ่งนะฉันน้ำผลไม้สองกล่องกล่องละ250สซีซี แล้วก็ฉันไอเนยแผ่ น, นะอะลาวีดสองแผ่นนะต่อวันหนึ่งเดือนอยู่ได้ไม่ไม่ตายดูแลคนนี้ก็ทนเหมือนกั น, นทนดีเหมือนกันแต่น้ำหนักลดไปยี่สิบกว่ากิโลนะก็ผ่านเดือนหนึ่งแล้วบอกอาจารย์โสต่อไหมครับไม่ไหวแล้วว่าจะแย่แล้วก็ เลิกนั่งแล้วบอกได้ไหมครับชาลสีไม่ได้วะก็ <c oughs> ขนาดตั้งใจขนาดนั้นก็ยังไม่ได้นะเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นการง่ายเลยที่จะได้จตุจัชาลจริงๆถ้าท่านรู้คำพระศาสดาว่าวิมุตต์เนี่ยเข้าได้ตั้งแต่ปฐมชาลหรือชาลหนึ่งสอสาแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขวนขวายทรมานกายถึงขนาดนั้นอยู่ในชาลหนึ่งสามแล้วก็ตามเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆก็ได้แล้ว นั่นจริงๆพระเจ้าบอกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นในการเข้าวิมุตต์นะทำไมดูลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นหรือเข้ายาวออกยาวแล้วจิตไม่ตั้งมั่นกลับไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สลับกับดูลมหายใจแต่พอภาวนาพุโทโธแล้วช่วยให้อยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นอาจารย์คิดว่าบางทีเราต้องเอาบัญญัติเข้าช่วยในตอนแรกเพื่อเข้าถึงปรมัตภาวนาไหม อีกข้อถามว่าทําไมพระอาจารย์ถึงไม่นําปฏิบัติบ้บางลูกศิษย์จะได้มีกําลังใจพระอาจารย์ตอบคําถามเท่านั้นทําให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เวลาจากท่า น, <ใ>นหรือว่าลูกศิษย์มีความคาดหวังจากคอร์สนี้ไม่ถูกต้องครับอ๋อมันหลายเหตุผลนะเนะอืม <c oughs> ทําไมดูลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นยาวยาวแล้วจิตไม่ตั้งมั่นก็ยอมพึ่งมาเคยทําะมันก็เอาสัญญาเก่าๆมามันเป็นกังวล พอมีกังวลมันก็ไม่เอาแหละมันจะหวนไปเรื่องเก่าๆนะกลับไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ดูสิว่าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยคิดเรื่องอกุศลไหมโยมไม่ยอมกลับมาหาคําพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าให้สังเกตว่าเวลาหลุดไปคิดคิดอกุศลหรือเปล่าโยมไม่ยอมสังเกตเลยไม่เห็นมีคําพระเจ้าอยู่ในหัวของโยมเลยเนี่ยกลับไปวิ่งหาพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวมีแต่คาอัตถกถ า, าอยู่ในหัวโยม เพราะโยงไปศรัท ธ, ธาเขาไงใช่ไหมอาตมาก็เคยนั่งท่องพุโทโธมาเป็น1ิปีเหมือนกันกว่าจะเลิกได้ก็เป็นปีหายใจเข้าก็จะพูดหายใจออกก็จะถูมันติดจังเลยน ะ, ะกว่าจะเลิกได้แต่พอเลิกได้สบายละหมูละหายใจเข้าออกเราไม่เคยมีคำพูดในใจเลยใช่ไหม <c oughs> และดูแล้วไม่มีความจำเป็น ท่าดีนะโยมท่านมันดีเนี่ยผู้เจ้าสอนคนแรกแล้วล่ะผู้เจ้าไม่ลืมหรอกนะสัพพัญยูจะมาลืมมรควิธีชื่อตัวเองเนี่ยมันแหมไรสาระสิ้นดีชื่อท่านเองทําไมท่านไม่บัญญัติก่อนเพื่อนเลยเป็นมรควิธีแรกเอานั่งท่องไปนะชื่อตถาคตเองเนี่ยสุดยอดแล้วนะไม่ได้บัญญัติเลยจนปริณิพ่านเชื่อมาเพราะ น, นั้นโยมต้องมั่นใจกับพระพุทธเจ้า และโยมต้องแยกชั้นคําสาวกอะไรให้ชัดเจนอาตมาอยากสืบต่อไห ม, มนั่งคิดไปคิดมาแต่ก่อนก็เกรงใจครูอาจารย์เราเราก็ศึกษาอยู่กับท่านมากว่สองสิปีแต่เราก็ไม่เอาดีกว่าแต่ก่อนอาตมาก็เคยแจกหนังสือสาวกอัดเทปนั่งอัดเทปวันวันเป็นร้อยร้อยม้วนกับเทปคําสอนสาวกแจกแจกแจกแจกยมนี่อาจารย์คนนี้ดีหลวงพ่อองค์นี้ดีนะอาจารย์ฉันดีนะ วัดเออไม่ดีไม่ดีนี่เอาหลวงพ่อนี้ไปนะอาจารย์ฉันหมดเลยอใช่ไหมเราก็ทําอย่างนั้นมาก่อนหนังสือก็แจกหนังสืออาจารย์ฉันหนังสืออาจารย์ฉันไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะก็ทําอย่างนั้นมาสี่ปีตอนเป็นพระพอเจอพุทธวจนะก็เลยวางอาจารย์ฉันนะเชียร์อาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ฉันอีกองหนึ่งคือพระพุทธเจ้านะ นะก็เลยมาเชียร์ผู้เจ้าอย่างเดียวนะแล้วทําความกระจ่างในคํำผู้เจ้าให้ได้มากที่สุดเรื่อยๆนะแล้วก็หนังสือในวันอาตมาปัจจุบันก็แจกแต่คําศาสดาไม่มีคําสาวกแจกเลยเลิกแจกอาตมาจะไปหยิบยื่นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในนั้นทําไมยังมีคณิกกะอุปจาระประนาอยู่เลยทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ที่พระศาสดาพูดไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตอาตมาจะไปหยิบยื่นข้อมูลผิดให้คนอื่นอีกหรือ นะเอ๊ะเราจะไปทำอย่างนั้นทำไมคนที่มาศึกษาในวัดอรหมาแล้วเนี่ยจะเริ่มเ <c> ก <oughs> ิดอาการอย่างนี้หมดเลยว่าเอ๊ะหนังสือธรรมะเก่าๆอ่องอยังไงดีจะแจกให้คนอื่นก็ไม่กล้าละเพราะไม่อยากเอาข้อมูลผิดให้เขาก็นะเก็บไว้ก่อน <c oughs> บางคนก็ช่างกิโลขายไปบางคนก็มัดเก็บไว้บ้างไม่รู้จะทำยังไงจะเอาไปแจกให้คนอื่นก็ให้ข้อมูลผิดเขานะ ในเมื่อเรารู้ถูกแล้วเราเร า, เราไม่กล้าเลยที่จะแจกมันมันเกิดความไม่กล้าเองที่จะแจกเยอะไม่ใช่จะไปเกียกรติกันไปอะไรมันไม่กล้าให้ข้อมูลผิดกับคนอื่นนะอ่าเอาเอะนั้นอาตมาก็พยายามเลิกตรงนี้มาเรื่อยๆนะแล้วก็ล้างสมองตัวเองก่อนเพราะอาตมาเนี่ยก็ คล่องไม่ธรรมดาในคําสาวกนะนะวินงวินัยเนี่ยบุพสิกขาเนี่ยโอ้หคล่องเปลือจนพระเพื่อนกันเนี่ยขอให้ไปทําหนังสือวินัยเนี่ยนะเพราะเขาเห็นเราคล่องในวินัยพระพุทธของบุพสิกขาซึ่งก็เป็นคําสาวกเนะต็ไมไปหมดเลยแต่เดนิสตมาก็ต้องล้างสมองตัวเองใหม่จริงๆเราคล่องคําสาวกเนี่ยมันดีอย่างนะโยมพอมาอ่านคำพูะเจ้าเราจะเห็นแง่มุมเยอะนะ แล้ว อ, อันนี้เจออีกแล้วไม่ใช่นะโหนี่มันสาวกชัดๆเลยเจอนี้โอ้โหอีกแล้วใช่ไหมอ่ามันจะเจอเต็มไปหมดเลยอาตมาเลยมีแง่มุมเยอะไงเพราะตมาข้องคำสาวกมาก่อนร้อยเกับสาวกบอกโอ้โหอาจารย์ฉันเนี่ยสายหลวงปู่ ม, มั่นนี่แน่นอนเลยเราก็ศรัทธาท่านเรามาบวชก็เพราะของท่านน่ะนะอาเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะแต่ตอนนี้ก็วางลนะนะอะ ก็ต้องค่อยๆวางไปเป็นลําดับลําดับลําดับไปเรื่อยๆก็เหมือนกับภาษาลิบุตรนะเจอพระสัชชิก็โอ้โหสุดยอดล้นะแต่พอมาเจอพระเจ้ากลับไปหาพระอสัชชิกไหมไม่ละศึกษากับพระเจ้าอย่างเดียวเลยแต่ตั้งพระสัชชิไว้ตรงไหนอ่ะก็คือรู้ว่าพระสัชชิอยู่ทางทิศใดก็กล่าบไปทางทิศนั้นนะจนภาษาริบุตรถูกโจทย์ว่าเคารพทิศพระเจ้าเรียกมาสอบ นะพระองค์พหลันทําผิดโดนหมดนะ่ะสารีบุตรเห็นเขาโจทย์ว่าเธอกล่าบไปทางทิศนั้นทิศนี้จริงทําจริงหรือเปล่าจริงพระเจก า, าอ่ะทําทําไมมีเหตุผลอะไรเมื่อข้าพระองค์รู้ว่าพระสัชชิซึ่งเป็นอาจารย์ที่ให้ธรรมะของพระศาสดาองค์แรกแก่ข้าพระองค์อยู่ทางทิศใดข้าพระองค์ก็กล่าบไปทางทิศนั้นด้วยความเคารพว่าเป็นเหตุให้ข้าพระองค์เนี่ยได้รู้ธรรมะของพระศาสดาและได้เข้ามาบวชเนี่ย กูเจ้าก็สรรเสริญนี่เคาลบทำอย่างนี้เห็นนะ <c oughs> วางลายไว้อย่างนี้วางแนวทางไว้อย่างนี้นั้นครูอาจารย์เราก็ตั้งอยู่ในฐานนัแห่งความขลุ่กก็กราบไหว้ท่านแต่เวลาศึกษาศึกษาคําพระศาสดาหนะึ่งรเซ์ไม่มีข้อผิดอย่างนี้มีข้อผิดก็ตรวจสอบได้แต่เวลาคําอาจารย์มีข้อผิดตรวจสอบไม่ได้เพราะคําอาจารย์ไม่ใช่สมบูรณ์บริบูรณ์และอาจารย์ไม่ได้บัญญัติทุกเรื่องเวลา มีข้อสงสัยปุ๊บเราไม่สามารถค้นคว้าวิจัยเทียบเคียงเข้าไปต่อในคําอาจารย์ของเรามันจะตันผู้เจ้าจึงบอกเมื่อเธอศึกษาคําสาวกเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้นี่คําศาสดาล้วนๆนะเพราะนั้นศาสดาไม่ได้ด่าว่าสาวกตัวเองนะแต่พูดความจริงว่าสาวกคุณทําได้แค่นี้มักคานุขาผู้เดินตามและสาวกทุกคนในครั้งนั้นเนข้ารยเปอร์เซกับผู้เจ้าไมเข้้อยเปอร์เซกับผู้เจ้า นะถึงแม้เขาจะไปมีลูกศิษย์ตนเองเขาก็จะไม่ไม่ล้ำเส้นพูเจ้านะก็เหมือนกับเราที่ไม่กล้าล้าเส้นครูอาจารย์ของเราณวันนี้เพราะเรา1้0กับอาจารย์เราโยมลองเปลี่ยนโลโก้ใหม่หยิบอาจารย์เราออกเอาพูะเจ้ามาตั้งเราร0 0กับพูะเจ้าพวกเนี่ยเราจะไม่กล้าล้ำเส้นพระเจ้านะเหมือนกันหลักการเดียวกันนะนั้นโยมลองลองไข้ควรดีๆทำในใจให้แยบคาย โยมก็จะเริ่มวางของเก่าไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมาเริ่มบรรจุของใหม่ <c oughs> <c oughs> วิธีการทำสมาธิเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนในในครั้งพุทธกาลก่อนที่พูเจ้าเกิดแล้ว <c oughs> เพราะนั้นฤาษีโยคียก็ทาสมาธิกันได้เพราะนั้นโยมท่องคำบริกรรมมันไม่แปลกหรอกที่โยมจะทำสมาธิได้ นั้นวิธีที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิมันมีหลากหลายรูปแบบแต่มันหลุดพ้นได้ไหมมันหลุดพ้นไม่ได้และถ้าโยมท่องชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ความหมายว่ามันเป็นอะไรนะมันก็จะไม่สอดรับกับที่พูะุทธเจ้าบอกนะว่าถ้าเธอตริตรึกในเรื่องใดเนี่ยเธอต้องรู้ความหมายแห่งความคิดนั้นด้วยนะ โยมท่องปานาติปาตาเวรมณีแล้วโยมก็ยังฆ่าสัตว์อยู่เพราะโยมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรสรุปแล้วการท่องของโยมมีประโยชน์ไหมไม่มีศูนย์หนึ่งเหมือนกันท่องอตินนาธานาเวรมณีแต่ก็ยังขโมยอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะแปลไม่เป็นการท่องคําพระพุทธเจ้าพุทธานุสติศาสดาก็บัญญัติไว้แล้วว่าพุทธานุสติเป็นอย่างไรใช่ไหมต้องน้อมนึกถึงพระุทธเจ้าแบบไหนนะถ้า ถ้าโยมทําตามที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยน้อมนึกอย่างนี้นะอันนั้นนะตรงตามที่ผู้เจ้าบอกนะปิติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมัน่นนะถามว่าพระอาจารย์คิดว่าบางทีเราจะต้องเอาบัญญัติเข้าช่วยในตอนแรกเพื่อเข้าถึงบัญญัติการภาวนาไหมนะประมัิอ๋อปรมัดภาวนาไหม ก็นี่เป็นความเห็นเราไม่ใช่ความเห็นพระศาสดาเห็นว่าเวลาเรามีเรามีความเห็นนิดนึงเข้าไปเนี่ยเราก็แยกไม่ออกแล้วว่านี่ความเห็นเราหรือความเห็นพระพุทธเจ้าท่านมาถึงบอกว่าถ้ามันดีเนี่ยพระเจ้าสอนไปแล้วและพระเจ้าก็บอกก่อนปัจจุบัความรู้ทั้งหมดของตถาคตซึ่งมีเยอะมากแต่มันไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกําหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานตถาคตจึงไม่นํามาสอนนะสอนเฉพาะที่ เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือพืช น, นิพานเท่านั้นเพราะนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้ามรรคผลนิพานตถาคตบอกเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรในกำมือที่ตถาคตไม่ได้เปิดเผยให้เธอเพราะฉะนั้นสมบูรณ์แล้วโยมต้องเชื่อมั่นว่าคำพระเจ้าหลังปณิธานแล้วสมบูรณ์จริงๆนะไม่มีอะไรที่พระเจ้าลืมไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เติมความเห็นอะไรเข้าไปนะอม ทำไมพระอาจารย์ถึงไม่นำปฏิบัติบ้บางลูกศิษย์จะได้มีกำลังใจนะก็อยากนำปฏิบัตินะมีเวลาก็ทำนะแต่พอดีเวลามันไม่ไม่ลงล็อกกันนะอาตมาก็อยากจะมีเวลาอาตมาคิดว่า <c oughs> ในหลักการพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่มีใครมาขอร้องว่าผู้พุทธเจ้านั่ง นั่งสมาธิกับผมหน่อยสิครับอะไรอย่างนี้นะมีแต่ว่าพอเข้าไปฟังธรรมพระศาสดาแล้วผู้เจ้าก็จะไล่ให้ไปอยู่ผู้เดียวโยมจะต้องมีความมั่นคงในการปฏิบัติเองนะโดยที่ไม่ต้องมีใครนำและจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มาปฏิบัติเป็นหมู่ๆด้วยซ้ำนะจริงๆแล้วถ้าจะได้ผลเนี่ยต้องปฏิบัติแยก ไม่ต้องมานั่งคอยเคาะลาคางหรือว่าอาพรนะอะไรนะเหมือนกำลังนั่งดีๆเฮ้ยออกอีกแล้วเซ็งเลยใช่ไหไอ้คนปฏิบัติดีๆเนี่ยมันก็สะดุดน่ะใช่ไมไม่เหมือนอาตมาอาตมาคิดคนละอย่างกับโยมอาตมาไม่อยากเลยไม่เกียรติข้อวัดนี่ไม่ชอบข้อวัดชอบวัดที่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติยูอิสระเพราะนั้นพระที่รักการภาวนาท่านถึงอยากมีเวลามากๆ ท่านเลยก็เลยออกวิเวไปตามป่าตามเขาท่านไม่ต้องทำอะไรว่างทั้งวันบินทบาดหาเลี้ยงชีพเสร็จฉันเสร็จว่างมันทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรก็คือเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆนะเราอยากจะเดินกี่ชั่วโมงจะนั่งกี่ชั่วโมงนะอยากจะเป็นอะไรก็มันก็เรื่องของเราใช่ไหอาตมาทา ม, มาสิบกว่าปีนี่อาตมารู้สึกว่าคือ ในในภาพปฏิบัติของเราที่ทำมาเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่พวกครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่เคยที่ว่าจะมานั่งสมาธิโชว์ให้ใครดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นในในปีแรกๆที่ต้องมามาฝึกให้พวกโยมเนี่ยมันมันรู้สึกแปลกอนะว่าเราต้องมานั่งสมาธิโชว์ใครนะเวลานั่งเราอยากจะนั่งเงียบของเราเองนะแอบแบของเราอยู่เงียบๆแล้วก็อยากจะนานจะช้าอะไรแค่ไหนก็ได้ ที่ไม่ไม่ต้องมีการจำกัดเวลาใช่ไหมเพราะบางทีจังหวะช่วงมันจะเข้าใจธรรมะหรือว่าแม้กำลังเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากจะต่อหรือแเราได้ต่อสู้กับตัวเองได้สู้กิเลสตัวเองไงอย่างเงี้ย อ, อย่างหนึ่งก็คือบางทีคนทำใหม่ก็เดี๋ยวซ้ายแลกขวาหมู่ยังนั่งแหมยอยากจะลุกหมูนั่งก็นั่งต่อทั้งทนไปก่อนอย่างเงี้ยใช่ มันนั่งเพราะว่าโดนหมู่บีบแหะเดีอยวหมู่มันบังคับมันก็ดีสําหรับผู้ใหม่ที่กังง้องกังแงงเมื่อนิดเมื่อยหน่อยก็ต้องนั่นแล้ยแหมไม่มีใครกระดิกรือทนออะไรเงี้ยมันก็ได้ดีแบบหนึง่งอ่ะแต่พอโยมเริ่มชินชํานาญแล้วนะโยมอยากอิสระนะผู้เจ้าจึงบอกว่าเนี่ยหลายคนเลยที่มาบอกผู้เจ้าว่านะ พอฟังทำแล้วก็จะหลีกไปอยู่ผู้เดียวแท้จริงแล้วก็ไม่เดี๋หลีกหรอกไปคลุกคลีกันไปอะไรต่ออะไรกันเนี่ยนี่พระเจ้าก็เคยว่าเอาไว้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักพระเจ้าเพื่อจะให้ได้ผลเนี่ยเมื่อฟังธรรมพระศาสดาแล้วให้เธอหลีกไปอยู่ผู้เดียวโน่นคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงทําความเพียรเผากิเลสนะอย่าได้เป็นผู้ประมาทอย่าให้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนะอย่างนี้ นั้นผู้เจ้าจะแนะนำอย่างนี้เป็นส่วนมาก <c oughs> แล้วก็จะตัดว่าผู้ใดมีการระคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดียินดีในการระคนด้วยหมู่มีคณะเป็นที่มายินดียินดีในคณะจากเป็นผู้ผู้เดียวยินดียิ่งในป่วิเวกถึงที่สุดนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้ถ้าโยมยังต้องการหมู่ต้องการเพื่อนต้องการฝูงคณะเนี่ยโยมจะยินดียิ่งในความวิเวกไม่ได้ นะอยู่โดดเดี่ยวจะไม่เป็นกำลังไม่พอเพราะอยู่เดียวปุ๊บโอ้โหสบายเลยหลับหมอนแตกเลยทีนี้นะโดนกิเลสลากไปเลยทีนี้นะตายอย่างเขียดนะไม่มีใครเห็นแล้วนอนเงีย <kle> บ <Whoa> เลย <g iggle> ใช่ก็เหมือนกันพระเป็นเหมือนกันอาตมาพรรษาแรกๆเนี่ยอยู่กับหมู่คณะเนี่ยชั้นในบาท <c oughs> เราก็เข่งขัดใส่รวมกันหมดเลยชั้นในบาทอย่างดีนะ พอหมู่คณะบอกเอ้ะตั้งใจภาวนาแยกชันตามกุติเราก็แยกตามกุตินะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนพอผ่านไปสองเดือนอาจารย์สโสพลก็มาถามเอ้ยคึกฤทธิ์ชั้นในบาตรเนี่ยยอนทีละถุงมหมอืมยอนทีละถุงเหมือนกัน <laughs> ไม่อยากผสมกิเลสมันเดินมาลอยเดียวกันเลยเยมเห็นนะท่านก็เป็นแบบนั้นเราก็เป็นใช่ไหม เราก็ไม่อยากปืนกันซ้ายขวาไม่มีใครมองเราก็หยอดดีถุกีดให้มันหมดเป็นอั น, อนหมดแล้วเราก็ค่อยใส่ขนมใช่ไหมกะทานขนมอ ม, มันเข้าท่าดีแม่กินผสมมาตั้งนานใช่ไหมเนี่ยหลักการเดียวกันเดียวนะ <c oughs> นั้นถ้าโยมไปอยู่คนเดียวแล้วโยมมีกําลังทําได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะมันชวนให้โยมนอนโดยที่ไม่มีใครมองโยมแล้วโยมก็ฝืนตัวเองได้เนี่ย โอ้ยมไดคะแนนมากเลยนะ ه, นี่แหละ <c oughs> ลองพยายามทำดู <c oughs> ถ้ามีเวลาเนี่ยอาตมาก็ยินดีนั่งกับโยมนั่นแหละนะ <c oughs> พอดีก็ <c oughs> ทำหน้าที่ข้อที่สามขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความ น, านั้นๆแก่ชนทั้งหลาย <c oughs> เพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปโอ้โหมันก็ทำมานานๆหลายปีมันก็ เมื่อเหมือนกันเนาะไปแล้วอไปบอกเรื่องเก่าๆไปที่นี่แล้วไปพูดเรื่องนี้ไปที่นี่ไปพูดเรื่องนี้เจอคําถามเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าใจผู้เจ้าแล้วว่าโอ้ผู้เจ้าเนี่ยรู้เลยคําถามนี้คำถามสามคําถามเนี่ยทาไมผู้เจ้าถึงรู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกคิด62แบบทิฏฐิหกสองอาตมาเริ่มเข้าใจแล้นะนะ ตอบปัญหากับคนมากๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องเข้าใจแล้วอ๋อคําถามมันวนอยู่แค่นี้มนุษย์เรามันวนอยู่แค่นี้มันจะถามมุมนี้มุมนี้เรื่องนี้เรื่องนี้โอ้ผู้เจ้ายิ่งเป็นสัพพัญญูยิ่งเข้าใจเลยถามอะไรมาปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งตอบตอบตอบปั๊บปั๊ปั บ, ป บ, ป บ, ปบได้หมดเลยไนงะใช่ไหมขนาดเราขี้ไก่เนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะเรายังพอประเมินได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง น, นี่ยเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไปตามเหตุตามปัจจัย อาตมาก็ไม่เคยคิดอยากจะมีวัดก็ตันต้องมามีวัดเองไม่เคยคิดว่าจะมาศึกษาพุทธศานะเพื่อมาถ่ายทอดบอกสอนให้โยมไม่เคยคิดก็อยากจะรู้เองนะแล้วก็ปรับปรุงแค่ตัวเองเท่านั้นนะเพราะไม่เคยคิดว่าจะมาต้องมาเป็นกูบาอาจารย์ที่จะมานั่งสอนคนนั้นคนนี้ไม่เคยคิดมาในสมองนะวัดก็ไม่เคยคิดว่ามันจะตั้งได้เป็นได้มีได้คิดว่าจะต้องไปหาวัดที่อื่นอยู่แล้วก็คิดว่าจะอยู่วัดนั้นไปจนตลอดชีวิต เราคิดอะไรโยมมันเปลี่ยนหมดเลยชีวิตน่ะก็เลยไม่จะไปคิดอะไรมันเลยเดี๋ยวมันก็คงเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆนะอะไรมันจะเกิดก็เกิดทำแค่เหตุปัจจัยตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วน่ <c oughs> อ่าหมดคำถามอันนี้พอดีอ่าต่อตามรู้ลมหายใจคาว่ารู้คือดูพอดูมากๆเข้าลมเริ่มสั้นทั้งเข้าและออก ทำให้อึดอัดและแน่นออกมากมีวิธีแก้อย่างไรและนั่งดูลมหายใจไม่เกิดสภาวะทดัดดูลมหายใจไปเกิดสภาวะทัดลมที่ผลักตัวเราไปาด้านหน้าหรือทัดไฟที่ทำให้เราสะดุ้งขึ้นต้องแก้ไขอะไรหรือไม่หรือว่าดูไปเรื่อยๆครับออันนี้มันจิตมันก็ปรุงแต่งไปหยุดคิดน ะ, ะ <c oughs> ลมสั้นเข้าออกอึดอัดอันนี้มันจะเริ่มปรุงแต่งละนะนะอ่า ทำใหม่ๆเนี่ยจะปรุงแต่งให้ลมสั้นลมยาวบางทีนึกว่าไม่ได้ปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งมันบีบบังคับมันไปเองตั้งใจมากเกินไปลดระดับความตั้งใจลงมาปล่อยสบายๆเหมือนเรานั่งเล่นธรรมดาเนี่ยนั่งหายใจไม่เห็นมีใครอึดอัดเลยพอตั้งใจจะรู้ลุกอ้าวแล้วอึดอัดแล้วนะอาตมาก็เป็นแน่นนาอกปวดหัวเดี๋ยวลมมันโอ้ไม่พอดีไม่สบายนะไม่มีความสบายในการดูลมหายใจเนี่ยนะเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะนะ กว่าจะลงตัวเข้าที่เข้าทางเป็นหมดนะเข้าใจอยู่ <c oughs> นั่งดูลมหายใจไม่เกิดสภาวะทาดลมที่ผลักตัวเราดันไปข้างหน้าหรือทัดไฟที่ทำให้สะดุ้งขึ้นอืมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้นะทามันเป็นเหตุให้เกิดความสะดุง้งหรือความโยกโครงของกายผู้เจ้าก็บอกแล้วเหตุปัจจัยของมันคือการโยกโครงของจิตเมื่อจิตไหวโครงผู้เจ้าบอกกายจะไหวโครงนะ ตัดกับใครนะมีพระสูตรนี่ไหมลองให้ดูอ่าตัดกับภิกสูทั้งหลายนะเนี่ย <c oughs> ความหวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการจเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหน นะก็คืออาณาปานาสิสมาธินะ <c oughs> น, นั้นพระสูตรเต็มๆมันนี้ก็จะมีบอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงเนี่ยกายจะไม่ไหวโครง น, นั้นแสดงว่าการเคลื่อนไหวหรือโครงของจิตเนี่ยมีเพราะว่าจิตมันเริ่มไหวโครงแต่เราดูไม่ออกแค่นั้นเองอ น, นั้นก็จะมีหลายๆที่หลายๆสำนักไปสอนให้ตัวโยกไปนะตัวโครงเนี่ยดีแล้วนี่ได้สมาธิแล้วไม่เกี่ยวเลยจริงๆต้องนิ่ง หรือ อ, อีกที่หนักเข้าไปเลยต้องสั่นเรียกตีชานนะนาวาเอกอะไรมาบอกผมไปนั่งเรียนอยู่พักใหญ่ๆนะนั่งตีชานเขย่าออืบอกโยไม่เมื่อยอกบอกผมก็นึกว่ามันถูกนะก็ไปนั่งเขย่าตัวมาแล้วนะแล้วอีกคนก็มาที่วัด <c oughs> ชอ บ, บอกที่วัดอาจารย์นั่งสมาธิได้ไหมบอกได้สิบอกไม่เป็นการรบกวนหรออ่ะสมาธิมันจะไปรบกวนอะไร ผมนั่งแบบชานนะเอาชานก็ดีสิจะได้สงบดีบอกชานมันต้องเขย่าตัวน ะ, อะเอ๊ะมันคนละอย่างละมันของเขามีชานต้องกระโดดกระเด้งบึงบ้งๆึงไปเขาเลยก็เลยกลัวรบกวนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> แล้วก็งงก็ <c oughs> <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะลมเดี๋ยวจะค่อยๆปรับความสมดุลได้เอง <c oughs> ขณะนั่งดูลมเราก็จะเห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมแล้วกลับมาดูลมอีกครั้งจิตเพลินออกไปคิดและเห็นจิตผู้รู้เข้าไปรู้และดับในขณะเดียวกันก็เห็นจิตเคลื่อนเข้าไปจับลมหายใจในระหว่างที่จิตเคลื่อนมันเหมือนภาพสโลโมชั่นเห็นภาพเคลื่อนเข้าไปจับลมหายใจอันนี้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกและเห็นอยู่2อสาครั้งติดกันและหลังจากออก จากสมาธิรู้สึกถึงกายและจิตที่เปลี่ยนไปคือนุ่มละเอียดอ่อนละเอียดขึ้นอย่างนี้เห็นถูกต้องแล้วใช่ไหมครับอืมก็ดีก็พอมันเริ่มเป็นสมาธิมากป้ า, าขึ้นเนี่ยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยช้าลงแล้วเราจะเห็นเลยว่า <c oughs> ที่พระุทธเจ้าบอกว่าจิตวนไปในสี่ธาตุเนี่ยมันถูกต้องเลยนะแล้วเราจะเห็นว่าโอ้พรพุทธเจ้าพูดชัดเจนมากนะ จะมีพระสูตรที่พระเจ้าอธิบายทีละตัวเลยว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพวิญญาณก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้แล้วก็ตัดอกีกวิญญาณอาศัยเวทนาะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ตัดทีละขันทีละขันทีละขันอย่างนี้นะอะไรเป็นมูลเหตุของความพอใจในความเพลินในการตรึ ก, รกที่ทําให้เกิดทุก เช่นบางคนคุ้นคิดนอนไม่หลับในเวลากลางคืนเพียงเพราะคุ้นคิดถึงการกระทำของคนบางคนในอดีตนานแล้วที่เคยทำให้เสียใจทั้งที่รู้แล้วว่าการคิดตรึกตริกเรื่องนั้นย่อมทำให้เสียใจแต่อะไรเล่าคือมูลเหตุแห่งความเพลิดในความคิดนี้และยังพอใจในความคิดนี้อีกข้อถาว่าเราต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อการละความเห็นผิดว่าเรามีตัวตน และเพราะอะไรการปฏิบัติอย่างนั้นจึงทําให้เราละความเห็นผิดนี้ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันโดยละเอียดครับมูลเหตุของความเพลินก็คือตัวอวิชานั่นแหละเพราะรามีความเข้าใจผิดนะ <c oughs> ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนจิตก็เลยมีราคะคือความพอใจมีนันทีคือความเพลินเกิดขึ้น พระาศาสดาจึงบอกท่าราคะในรูปธาตุเวทนาทา่าสัญญาทา่าสังขารทา่าวิญญาณทา่านเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอารมณ์สําหรับวิญญาณก็ขาดลงทะ้นนั้นเรายังมีความพอใจในขันทั้งห้าอยู่พอใจเนื่องจากอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราก็คืออวิชชานั่นเองนั้นมุมนี้ก็พูดในมุมที่ค่อนข้างสูงที่ พูดถึงตัวราคาแทนโทสะโมหะทั้งหมดเลยราคาตัวเดียวถ้าเธอพอใจในขันห้านะพบชาติชรามนะก็ยังมีอยู่ถ้าละความพอใจในขันห้าได้ก็ทุกอย่างจบเข้าวิมุตต์หลุดพ้นอย่างนี้นั้นความพอใจตรงนี้มีได้เพราะอะไรก็มีอวิชชาไงความเข้าใจผิดคิดว่าห้าธรรมชาติเนี่เป็นตัวเราของเราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ <c oughs> วิธีก็คือโยมก็ต้องกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยักขาสติผู้เจ้าบอกถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยักาสติตาจะฉุดเอาเธอไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงไล่ไปายหูจมูกลิ้นกายใจเห็นนะใจเนี่ยมันกําลังฉุดโยมไปหาธรรมอรมที่ไม่น่าพอใจซึ่งจะทําให้โยมรู้สึกอึดอัดขยักขยงเพราะโยมไม่กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยักาสติก็แค่รีบรักความเพลินตรงนั้นแล้วกลับมาตั้งตรงนี้ แต่เนื่องจากอุปทานความยึดมั่นในตรงนั้นยังมีอยู่มันก็จะกลับไปอีกกลับมาอีกหน้าที่โยมคือละมันอีกแล้วก็กลับมานี่ถ้าโยมละมันได้เร็วเท่ากับพิบตา <c oughs> ผู้เจ้าก็จะชมว่าโยมมีกําลังในการภาวนามาก <c oughs> เรียกอินทรียภาวนาชั้นเลิศ <c oughs> ต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อล้ความเห็นผิดว่าเรามีตัวตนเห็นเกิดดับ ความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิมีคนถามว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิม <On> <Vader> ีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรหนอพระเจ้าข้านะก็พระเจ้าบอกว่าการไม่ความไม่รู้อันใดในอริสสสีนั่นแหละเรียกว่าเธอมีมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรพระเจ้าข้าความรู้อันใดในอริสสสีชื่อว่าเธอมีสัมมาทิฏฐิอริสสสีทุกสมุทัยนิโรธมักประเด็นคือเห็นเกิดกับเห็นดับ คืออริยญายธรรมที่อธิบายไว้ในปฏิจจสุบาทเรียกยันนวัตถุ77เห็นสองอย่างแค่นี้เกิดดับพอแล้วนะ <c oughs> เมื่อเธอเห็นเกิดดับตรงเนี้ยนะเธอจะละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นนะทำแค่นี้ก็พอแล้วความที่มีตัวตนเนี่ยจะหมดไปคืออาหารการเมังการจะหมดไป อันนี้ก็ตออนนมีคนบอกว่าไม่ควรนั่งสมาธิคนเดียวเพราะอาจเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นและจะทําให้สติฟั่นเฟือนคํากล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะอยากปฏิบัติมากแต่ก็กลัวในข้อถามว่าอยากทราบพระอาจารย์แสดงธรรมสดทางอินเทอร์เน็ตเมื่อใดบ้างบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปฟังและชมได้หรือไม่หรือต้องปฏิบัติเช่นไรจึงจะชมได้ครับขึ้นชื่อเว็บให้เขดูกันเล มีคนบอกว่าไม่ควรนั่งสมาธิคนเดียวนี่ไปเงี้ยวหูลงฟังอีกแล้วน ะ, ะที่ไม่ใช่คำผู้เจ้าเขาว่าทั้งนั้นนะ่ะคนว่าคนว่าถ้าเขาบอกผู้เจ้าว่าก็ค่อยว่าไปอย่างค่อยมาตรวจสอบในบาลีสยามรัฐน ะ, ะไม่ต้องไปกังวลตรงนี้ นะปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าบอกนะไม่เป็นบ้าแน่นอนสแสดงทาสดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกข้ามวันเสาร์ช่วงทุ่มถึงสามทุ่มเมื่อคืนก็เลยไปถึงสี่ทุ่มกว่านะคำถามเยอะ <c oughs> แล้วก็ช่วงเช้าก็ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็จะมีถ่ายทอดสดด้วย ชงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันส่งคำถามมาก็ได้นะก็จะมีพระคอยรับคำถามให้แล้วก็จะตอบให้นี่ก็เป็นชื่อเว็บที่จะเข้าไปได้นะ <c oughs> ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายการดับของขันทั้งห้าว่าอะไรดับก่อนหลังกันอย่างไร พระอะไรจึงเป็นเช่นนั้นและอีกข้อถามว่าจิตของพระอาหารหันต์ระหว่างมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรครับอะไรดับก่อนหลังแล้วแต่สิแล้วแต่เราจะฝึกดับอะไรสายปฏิจจสุบาทฝึกดับได้ทุกสายทุกขั้นตอนเห็นสายใดสายหนึ่งก็ได้ผู้เจ้าทรงอธิบายทุกสายเลยนะ ถ้าเธอเห็นสายนี้โดยนายาลิสสสิก็เข้าถึงนิพพานได้ย้อนมากับเห็นสายนี้เห็นโดยนายาลิสสสิก็หลุดพ้นได้ทุกอันได้หมดเลยยมดูเวทนาตัวเดียวก็ได้ดูตัณหาตัวเดียวก็ได้ดูอุปท า, านตัวเดียวก็ได้ดูผัสสะตัวเดียวก็ได้ได้หมดนะหรือถ้าโยมอยู่กระลมหายใจจิตเกาะกระลมนะสิ่งที่ฝึกให้เห็นการเกิดดับคือ <c oughs> สามขันนี้ ให้เห็นให้บ่อยและสุดท้ายเมื่อร่างกายแตกสลายก็คือวิญญาณหาที่เกาะไม่ได้นะเพราะนั้นวิญ ญ, ญาณขันจะดับจากรูปเป็นครั้งสุดท้ายที่พูะเจ้าให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยเกาะกระรูปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะ <c oughs> จิตของพระหลานระหว่างมีชีวิตอยู่เป็นเช่นไรนะ ก็ไม่เป็นเช่นไรก็ไม่มีความยึดมั่นในขันทังห้าพระเจ้าบอกวิธีตรวจสอบความเป็นพาาระอรหันต์ด้วยตนเองนะว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนธรรมดาก็เราก็รู้กันอยู่นะแต่ถ้าพิจาณาให้แยบคลายเนี่ยพระเจ้าให้เห็นตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอาการของจิต โยมดูจิตตัวเองเนี่ยทันเกิดไม่ทันดับทันดับไม่ทันเกิดบางทันมันไม่ได้ทันทั้งวงรอบแต่พระละหันจะทันทั้งวงรอบสบายๆทันทุกวงรอบอาการของจิตเพราะเห็นแล้วว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวท่านของท่านและท่านแยกออกได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านเลยเห็นทุกวงรอบของจิตเพราะนั้นจิตจะไปเกาะอกุศลท่านก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดาบไปอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาบไปท่านก็รู้หมดทุกอาการนี่พระละหันนะก็อยู่ด้วยตรงนี้ และผู้เจ้าก็สอนให้พระหรหันต์อยู่ด้วยสติปัฏฐานสนีะ่พระเสกขะอยู่ด้วยสติปัฏฐานสี่เพื่อบรลุธรรมนะเพื่อมรรคผลนิพพานแต่พระหรหันต์ให้เธอจเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของเธอและเพื่อความมีสติสัมปชัญญะแต่สติสัมปชัญญะนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานแล้วเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนอะจะได้ไม่ปั๊มปั๊มเป๋เป๋เป <c oughs> อะอาการของพระหลานที่ผู้เจ้าแนะนําก็อย่างนี้บุคคลผู้ที่ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงจะสามารถรู้ว่าบุคคลผู้นั้นได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นรองลงมาได้หรือไม่เช่นผู้ที่ได้เป็นพระสกทธาคานีจะรู้ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นพระโสดาบุคคลหรือเป็นพระโสดาบุคคลด้วยการจะรู้หรือไม่ครับอันนี้อาตมาก็ได้ยินมาสาสิบกว่าปีแล้วแหละนั่นะ แต่จริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเป็นอริยบุคคลได้นอกจากพู้เจ้าที่จะร้อเเซ็ตจริงๆได้แต่พอประเมินได้พระสารีบุตรเหมือนกันเจอพระปุณณมันตนีบุตรเป็นพระหรหัสกันทั้งคู่เดินมาเจอกันยังไม่รู้เลยนะพระสารีบุตรก็เริ่มถามธรรมะถามธรรมะพระปุณณมันตนีไปเรื่อยๆ ถามไปถามไปจนจบเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าอืมท่านไม่ใช่พระธรรมดานะตอบคาถามได้ขนาดนี้พระปุณณะ ก, ก็บอกว่าคนถามได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอยากทราบว่าท่านชื่ออะไรนะไม่รู้รู้จักกันก็เลยบอกเราชื่อสารีบุตรนะโอ้ท่านก็ดีใจใหญ่เลยเนี่ยจะเดินทางมาต้องไกลเนี่ยจะมากราบผู้เจ้าแล้วก็ได้ยินข่าวชื่อเสียงของภาษาริบุตรมากก็เลยกราบภาษาริบุตรนะก็ทักทายปราสายกันเป็นที่ รื่นเริงพอสมควรแล้วก็เลยภาษาริบุตรเนี่ยพาไปกราบพระพุทธเจ้านะนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลจะมีพระเจ้าองค์เดียวที่พยากรความเป็นอริบุคคลแก่ใครก็ตามนะจะไม่มีสาวกกล้าพยากรณเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่ายานอย่างรู้ของสาวกมันมีขีดจํากัดนะที่พระเจ้าตัดในทีฏฐิหกว่าเธอเนี่ยถอยไปได้หมื่นชาติบ้างแสนชาติหนึ่งกับหนึ่งสังวรตะกับหนึ่งวิวรตะกับแต่เลยกว่านั้นเนี่ยเธอไม่รู้ <c oughs> แล้วเธอก็มาพยากรเนี่ยการพยากรจึงมีข้อผิดพลาดได้เพราะกรรมที่เลยวันนั้นเนี่ยมันไม่รู้พระเจ้าเคยอธิบายไว้ว่าถ้าพระองค์จะพยากรใครเนี่ยพระองค์ถอยอดีตไปของคนนั้นเนี่ยยากไม่มีประมาณซึ่งไม่มีสาวกคนไหนทาได้เลยนะแล้วจึงพยากรพระเจ้าจึงบอกการพยากรของพระองค์เนี่ยจะเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีพลาดคนเดียวในโลกที่ทำได้ คุณสมบัติของโซดาบันเวลาที่นั่งสมาธิห้ามคิดไปในเรื่องการพยาบัติเบียเบียนตัวการมนี้คือการมมชันทัดในไอตนะหใช่ไหมแล้วเวลานั่งสมาธิอยู่เกิดความคิดถึงโฆษณาในทีวีที่ชวนท่องเที่ยวมีภาพสวยๆต่างๆขึ้นมาในความคิดรู้สึกอยากไปเที่ยวที่นั่นบ้างนี่เรียกว่ากรมมารมารมชันทะหรือไม่ถ้าใช่ก็คือคุณสมบัติโสดาบันก็ไม่ได้แล้วหรือถ้านึกอยากทานอาหารที่ชอบด้านโน้นด้านนี้ ก็เป็นการมัทฉันทาผิดคุณสมบัติโสดาบันอีกใช่ไหมครับโอ้โหข้อมูลโยมผิดบานเลยเหมือนถูกแต่ไม่ถูกเดี๋ยวจะแกะทีละบรรทัดให้นะคุณสมบัติของโสดาบันเวลาที่นั่งสมาธิห้ามคิดไปในเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนแปแค่นี้ก็ผิดแล้วนี่คือคุณสมบัติของปฐมฌาน ซึ่งสมาธิทุกระดับไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลนะไม่เกี่ยวกันเลยเยิมก็เอามาปนกันเองละบัญญัติเองทั้งหมดเลยในนีนะ้นั้นคุณสมบัติของพระโสดบาบันสี่สิบกว่านัยยะในนี้ไม่ผู้ย่างไม่เคยตัดเรื่องสมาธิที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเป็นเครื่องวัดโสดบาบันเลยนะเพราะนั้นไม่เกี่ยวกัน นั้เวลาที่นั่งสมาธิห้ามคิดไปในการปิบัติเบียดเบียนเป็นเหตุปัจจัยของปฐมฌานถ้าโยมไม่คิดการปิบัติเบียดเบียนโยมได้แล้วในสมัยนั้นผู้เจ้าบอกในสมัยนั้นนะขณะนั้นเนี่ยเธอได้ปฐมฌานนอกสมัยนั้นก็คือเธอยังมีการปฏิบัติเบียดเบียนอยู่เพราะนั้นสมาธิมันได้เป็นช่วงๆระยะตัวการมนี้คือกรรมฉันทะใช่ไหมใช่ ในนิวรณ์ห้าอันเดียวกันแต่พอบอกกรรมฉันทะในอายตนะ6ใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วผิดอีกแล้วเห็นไหโยมไม่จะพูดเลยนี่แหละคําพูดสาวกเนี่ยมันจะผิดเป็นนิดนนิดนนิด น, ด น, ด น, ดนดเหมือนใช่แต่ไม่ใช่เพราะกรรมฉันทะพระผู้เจ้าจะพูดแค่อายนะ5ไม่มี6โยมไปดูพระเจ้าตัดเรื่องการเบลกที่ผัรษะปักทันทีเลยไม่ต่อไปทำอารมณ์นะสุดยอดมากไม่มีพูดเพลินหลุดพัวไป อายนะหกนะหรือว่าพูดเลยไปใจไปทำอารมณ์เลยหยุดกึกแค่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เบรกทันทีห้าตัวแล้วพระเจ้าไม่เคยพูดพลาดเลยสักพสูตรหนึ่งพอพูดเรื่องการปุ๊บจะหยุดแค่นี้ทันทีนะ <c oughs> แล้วเวลาที่นั่งสมาธิอยู่เกิดความคิดถึงโฆษณาทีวีที่ชวนท่องเที่ยวมีภาพสวยๆต่างๆเกิดขึ้นมา ในความคิดรู้สึกอยากไปเที่ยวที่นั่นบ้างนี่เรียกการฉันทะใช่หรือไม่ใช่เลยนี่แหละนะหรือนึกโ อ, อ้อยากกินอาหารโอ้วันนั้นกินสเต็กที่นั่นกินกุ้งเผาที่นี่นี่อ ก, กามนะอ่าโยมเดินบินทบาตไปเห็นโอ้ดวงอาทิตย์สวยกําลังขึ้นมานี่กามเนี่ยสัมผัสทางตาพัวมาเนี่ยเกิดฉันทะขึ้นเนี่ยกามกว้างนะกามในกว้าง กามาธาตุทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ตั้งของกามหมดเลยก็คือดินน้ําไฟลมสี่ธาตุเนี่ยนะเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งแห่งกรรมผู้เจ้าเรียกมันว่ากามมาธาตุเมื่อมีกรรมมาธาตุจะมีกรรมสัญญาคือการเข้าไปหมายรู้ในกรรมมาธาตุเมื่อมีกรรมสัญญาจะมีกรรมสังกปะการปรุงแต่งจากการหมายรู้ในธาตุและจะมีเวทนาอันเกิดจากกามสังกปะนะสะสุขบ้างทุกบ้างอัตุขมสุขบ้างอย่างนี้อืม นี่คือเหตุปัจจัยนะที่พู้เจ้าอธิบายไว้ในนานัตตะสัญญานะอ่า <c oughs> อืมกรรมฉันทะหรือเปล่าใช่แต่ไม่ได้ขาดคุณสมบัติโสรบันแค่ขาดคุณสมบัติของปฐมฌานะซึ่งบางทีพระโสระบันในบางช่วงอาจจะไม่ได้เข้าปฐมฌานก็ได้ ใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติพระโสดาบันนึกจากทานอาหารร้านนั้นร น, น, น, น, นี้ก็เป็นกรรมฉันทะใช่แต่ไม่ได้ผิดคุณสมบัติโสดาบันโสดาบันก็อยากกินของอร่อยก็ได้นะผู้บรรลุโสดาบันยังติดลาบยศสังเสริญอยู่หรือไม่การจเจริญอานาปานสตินั้นเมื่อดูลมไปเรื่อยๆแล้วนิ่งสงบเฉยๆเราก็ต้องดูลมหายใจต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ และบทสวดพระปริสนานพระพุทธเจ้าได้เมัต์ไวหรือไม่ครับ <c oughs> โสดาบันยังติดลาบยศสันเสริญอยู่หรือไม่นะยังมีกิเลสอยู่นะพระโสดาบันนะโสดาสกิทาคาอานาคาพระหันโสดาสกิทาคาอานาคานะ ยังมีกิเลสอยู่อย่างที่ภาษาริบุตรไปเจอปริพาชกาพูดกันว่าคนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดภาษาลิบุตรไม่รับรองไม่คัดค้านเอากลับมาถามผู้เจ้าถามผู้เจ้าเสร็จแล้วผู้เจ้าก็บอกว่าไม่จริงสาริบุตรนะคนมีกิเลสอีกเก้าจำพวกไม่ตกนรกโสดาบันสามจำพวกสกาธาคามีหนึ่งจำพวกอนาคามีห้าจำพวกพวกนี้ยังมีกิเลสอยู่หมดเลยแต่ไม่ไปอบายนั้น อาลาบยศต่างๆเนี่ยนะมันเป็นอายตนะห้าไหมล่ะถ้ามันยังเป็นอายต น, นะห้านะโสดาบันสกาธทาคามียังละได้ไม่หมดคนที่ละวางความพอใจในอายตนะห้าได้ทั้งหมดเนี่ยอนาคามีนะตาหูจมกกกูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วดับได้เร็วดุจกระพริบตาปุ๊บปบ๊หายไปเลยนี่อนาคามีนะ นั้นถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ยังมีความรู้สึกบ้างแต่รู้แล้วว่าเป็นกิเลส ต, ต้องรีบดับและมีเครื่องมือในการที่จะดับได้รู้ว่ามันเป็นโทษ <c oughs> นะซึ่งพูะเจ้าก็จะตัดไว้ว่าลาบสักการะและเสียงเงย็นยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นที่กว่านะนหนึ่งลาบสักการะและเสียงเงยีนยอที่เกิดขึ้นแล้ว จะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอนะไม่ใช่ได้แล้วก็โอ้โหนั่งคิดนอนคิดนะฮะวันนี้ชื่นใจจังเลยมีคนสรนเสริญได้ราบได้ยศอะไรตออะไรมาอันนี้เข้ามาห่อหุ้มในจิตแล้วล่ะรีบทิ้งส่วนตัวพระเจ้าเองทํำยังไงเมื่อกระทบกับลาบสักการะเสียงเย็นยอพระองค์บอกพระองค์เคยวางจิตไว้อย่างไรพระองค์ก็วางจิตไว้อย่างนั้นเหมือนเดิมอาณาปานาสิเป็นวิหารธรรมของตถาคต เพราะนั้นเมื่อจิตออกไปรับรู้ราบสักราระเสียงเย็นยอรับรู้เสร็จก็กลับมาที่อนาปานาสติตถาคตวิหารเหมือนเดิมจบแล้วแค่นี้ง่ายๆใช่ไห ม, ม <c oughs> โสดาบันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงแต่ยังปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้แค่เปลี่ยนความเห็นสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิคือความเห็นสมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นถูกต้องตรงตรงแบบไหนตรงแบบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนีโสดาปฏิมารคเรียกศรัตนุสารีผู้เล่นไปตามศรัทธาเชื่อมั่นแล้วอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีสมณะมารพรหมผู้รู้ใดๆในโลกจะดึงความเห็นโสดาบันไปได้มั่นคงขนาดนั้นนั้นจะไม่พระโสดาบันจึงไม่กระทําซึ่งวัตโกตุขละมงคล โยมบอกอาตามาบอกอ่ะโยมนะเดี๋ยวเดินลงบ่อน้ําข้างๆนะขึ้นมานะแล้วกําหมดมหรือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตามาเอาโรงมาตั้งโยมไปนอนในโรงคนละคนนะมาคอสนี้มาดับกรรมกันนะโยมก็จะอาจารย์เพี้ยนเปล่าใช่ไหมโยมก็จะไม่เชื่อโสดาบันไม่เชื่อเลยไอ้มงคลต่างๆตามแบบสมภา ร, รเหล่าอื่นเขาไม่เชื่อเขาไม่ทํา จิตเขาจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่น <c oughs> พระุทธเจ้าบอกคนที่ยังไม่ย่างลงในอเลสสัตจิตจะเบาเหมือนปุยนุ่นลมพัดไปซ้ายก็ปลิวซ้ายลมพัดขวาก็ปลิวขวาจิตของโสดะบันจะผู้ย่างลงในอเลสสัตจะเปรียบเหมือนเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศฉั้นใด น, นี่โสดะบันก็เหมือนกันเห็นนะถ้าเพื่อนโยมสกิท เธอเไปดูหมอกัอนหน่อยไหมถ้าโยมยังโอ้โหอย่าเอาเลยเนี่ยไม่ได้ดูมาหลายเดือนแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ่าเสร็จละไม่ใช่ละโสดาบันเพราะโสดาบันนะจะละปุพานตานุทิฏฐิอปปัลตานุทิฏฐิได้นี่ในกุ้งเหมือนนี้นะผู้เจ้าตัดเอาไว้ความเห็นที่ปลาลบขาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายเขาไม่อยากไปรู้อนาคตไม่อยากไปรู้อดีตเพราะอะไรเพราะผู้เจ้าบอกว่า โซดาบันจะรู้แล้วว่าขันทั้ง5ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไปสนใจอะไรกับขันห้าอันเป็นอดีตและขันห้าที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตเขาจะไม่มีความสนใจ น, นั้นดูหมอจะเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยใครบอกอีก3เดือนเธอจะต้องตายนัเนี่ยเธอจะต้องเจ็บหนักเลยมีอุบัติเหตุเธอต้องไปสะก์คออย่างนั้นอย่างนี้นะโสดาบันก็จะไม่สนใจเชื่อมั่นในกรรมถ้ากรรมมันมีก็มีไปสิ ใช่ไหมโยมจะออกเดินทางจากบ้านนะชนแก้วหล่นแตกเพลงโอ้โหใจไม่ดีสวยแล้วงานนี้นะอ่าเริ่มวันไหวแล้วไม่เชื่อมั่นในกรรมแล้วใช่ไหมหรือจะออกจากบ้านจริงจกทักเอาเละคำว่าจริงจบทักไม่ดีนะเสียวอีกละใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใช่ละใช่ไหมเราต้องหมดความหวันไหวตรงเนี้ทํายังไงแค่นี้โยมไม่หวันไหวเฉย ไปเลยเป็นตายอยู่ที่กรรมนะเนี่ยทำทไมโยมจะอย่างนี้ได้เนี่ยรเอร์เนเนี่ยเนี่ยโสดาบันวันนี้ลืมห้อยผ้ามาโอ้ใจหายแวบสวยแล้วเราวันนี้แหมจะไปเจราจาการค้าด้วยสงสัยจะไม่ได้เรื่องซะละเนี่ยมันต้องเชื่อมั่นในกรรมนะความดีเราทำมาแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาทำมาแล้วสบายไปเลยนะ อนาปาดูลงไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบเฉยๆก็ต้องดูไปเรื่อยๆหรือก็ให้เห็นการเกิดดับผู้เจ้าก็บอกทุกครั้งในการทําสมาธิและเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุนฟางนะก็ซ้อมยิงไปเรื่อยซ้อมยิงไปเรื่อยโยงก็ต้องซ้อมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับผู้เจ้าบอกต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกล ย, ยิงเร็วทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้ นั้นการเห็นการเกิดดับคือการซ้อมยิงหุ่นฟางและแปลกมากว่าสมาธิทุกขั้นตอนเนี่ยผู้เจ้าอุปมาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่มีเปลี่ยนอุปมาเลยโยมแสดงว่าใช้หลักการเดียวกำหนดปกติในเรื่องอื่นเนี่ยผู้เจ้าจะเปลี่ยนอุปมาณิดหนึงปรับนิดนึงอย่างนี้แต่เรื่องสมาธิอย่างเดียวเลยวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับขันห้าไม่ยอมเปลี่ยนอุปมาด้วยนะเปลียนนายขังธนูอย่างเดียวซ้อมยิงหุ่นฟาง บทสวดพระปรลิศวาันญัตหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ที่เ็าสวดกันน่ะมันไม่ใช่อ่ะนะก็ชื่อปรลิตเหมือนกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันคล้ายๆคำว่ า, า, าอภิธรรมนั่นแหละนะก็ต้องดูที่ตัวบทพันณนันั้นพอนั่งมาก็ชุมนุมเทวดาและอนโนนอันนี้นี่ก็แต่งขึ้นหมดเลยอย่างนะ อ, อยากทราบว่าบุคคลที่เสชีวิตเกิดทันทีถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดอย่างไร เข้าคาันมารดาที่กำลังท้องหรืออย่างไรครับถ้าไปเกิดในมนุษย์เกิดอย่างไรโยมก็ไปดูที่ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องสัตว์ที่เกิดในคันนะเป็นได้อย่างไรบ้างพระสูตรหนึ่งบอกว่าต้องมีสามองค์ประกอบ 1. มารดาบิดาอยู่ร่วมกมัน 2. มารดามีฤดูสคันทพะต้องเข้าไปตั้งเฉพาะ นี่คือเหตุปัจจัยของสัตว์ที่เกิดในคันจากนั้นอีกพระสูตหนึ่งอธิบายกับพระนลบอกอนล น, นะถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งบารดาแล้วไซนามรูปจากปลุงตัวต่อได้หรือไม่พระนลบอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องนี่ผู้เจ้ากําลังอธิบายเรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดของนามรูปมีเพราะวิญญาณการมีวิญญาณมีเพราะนามรูปต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการก่อตัวขึ้นมานะเริ่มจากสัตว์ในคันนะ เพราะนั้นจะมีสามสเตปที่พระเจ้าบอกเอาไว้สเตปแรกก็คือก้าวไม่ก้าวนะและถ้าไม่ก้าวลงเนี่ยคันจะเจริญต่อได้ไหมพร น, นบอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกสเตปที่2เนี่ยถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วซ้ายน้ํารูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพร น, นก็บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องนะขั้นตอนที่สวิญญาณก้าวลงสู่คันแล้ว อยู่ไปสักพักเด็กในคันนั้นปรากฏเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ตามนะแล้ววิ ญ, ญญาณจากแตกสลายลงแล้วนามรูปจปับปรุงตัวต่อได้ไหมบ้านนนท์ก็บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องและพระเจ้าก็หยุดไว้แค่นี้บอกว่านี้คือเหตุปัจจัยของการมีขึ้นของนามรูปและเหตุปัจจัยของการมีขึ้นของวิญญาณให้ใช้อุปมาอย่างนี้หรืออุปมาหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนแสงกับฉากน ะ, ะเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่ากรณีของสัตว์เกิดในคันเนี่ยผู้เจ้าก็จะอธิบายไว้ลักษณะนี้แสดงว่าบิญญาเนี่ยเข้าออกได้3ระยะจากจะเข้าไม่เข้านี่ 1- 2สองเข้าแล้วแล้วก็แตกสลายได้สามเข้าแล้วจนเด็กในคันปรากฏเพศก็ยังสามารถแตกสลายได้แต่พอเลยกว่า น, นั้นปุ๊บก็หยุดละไม่มีละก็อยู่ไปจนคลอดออกมาเกิดจนตายนะแสดงว่าอุปทานเหนียวแน่นมากไม่ออกละ ไม่ฉันอาหารที่เป็นเดนในทุดวงคมวัดเดนนี่คืออะไรไม่เข้าใจความหมายข้อหนึ่งถามว่าเทวดารักษาใน11อั น, นิสงส์เจริญเมตตาคืออะไรอีกข้อหนึ่งถามว่าสังโยชน์คืออะไรและขอให้อธิบายที่พระอริยขั้นต้นละได้อย่างไรครับอ ไม่ฉันอาหารเป็นเดนในทุดงควัตอันนี้ผิดตั้งแต่คำถามในทุดงควัตไม่มีเรื่องฉันอาหารที่เป็นเดนนะไม่ฉันอาหารที่เป็นเดนไม่มีในทุดงควรรัตไม่มีในทุดงควัตมีกรณีคือฉันอาสนะเดียวนะคือฉันมือเดียวนั่นเองเพราะนั้นพระที่ฉันมือเดียวแต่ก่อนเราคิดว่าเป็น เรื่องของทุดดวงควรัตซึ่งเราและครูอาจารย์ยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็เข้าใจมาอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วพอเราไปดูพุทธพจนะจริงๆแล้วเนี่ยมีถึงหกพระสูตรที่พูะเจ้าตรัสว่าพระเนี่ยต้องฉันมือเดียวและเป็นโดยศีลด้วยนะคือบังคับนะมือสองไม่ได้กรณีอาหารที่เป็นเดนคืออนุญาตให้ฉันมือสองได้ในกรณีอาหารนั้นเป็นเดน นะไม่ได้เกี่ยวกับทุดงควัตถ้าทุดงควัตเด่นก็ฉันไม่ไดนะ้ต้องมือเดียวเน็ตๆน็ตเลยอาหารเป็นเด่นก็ฉันไม่ได้แต่โดยศีลฉันมือเดียวยังเหลืออาหารเป็นเดน่นนั้นฉันได้อีกก๊อกหนึ่งอีกแก๊กหนึ่งนิดหนึ่งนั้นเด่นคืออะไรก็คืออาหารที่เหลือจากภิกษุปกติหรือภิกษุไข่ฉันเหลือมีกรณีที่ เรื่องนี้คือพิสูจน์ที่เป็นไข้ชันเหลือแล้วก็ไปเททิ้งจนเหม็นเข้ามาในอารามในวัดก็พระเจ้าก็เลยอนุญาตให้พระเนี่ยชันอาหารที่เป็นเดนของพิสูจน์ไข้ได้นะและกรณีอาหารที่เป็นเดนก็จะมีบัญญัติไว้นะไม่ใช่เดนของตัวเองเลยนะต้องเดนของพิสูจนรูปอื่นเพราะต้องมีการมอบให้พอไปดูเหตุปัจจัยของอาหารที่เป็นเดนเนี่ย เขามอบให้ก็แสดงว่าเดนจากมือซ้ายมามือขวาไม่ได้ไม่ใช่เราไอ้ ก, กินอาหารเหลื อ, เ, อเดินเราเองเอานี้มอบให้ตัวเองนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะโอ้พระนึกทางออกกันเยอะอโยมพยายามหาทางออกหาช่องออกนะว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้นะจะมีช่องออกอยู่บ้างนะช่องทางออกอย่างหนึ่ง ก็ต้องออกภายใต้พุทธบัญญัติข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใด น, นี่ในปฏิโมกนะอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วคือห้ามพัดแล้วฉันเสร็จแล้วนะห้ามพัดแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้วก็ดีของฉันก็ดีอันมิใชิเด่นเป็นปาจิตติเห็นนะไม่ได้เป็นเรื่องทุดงนะทุดงไม่มีการปรับประบัตินะอันนี้เจอปาจิตติเข้าไปเต็มเตมใช่ไหม เพราะนั้นถ้าเธอฉันสิ่งที่ไม่เป็นเด่นของนายเนี่ยที่ประเคนอยู่ทุกวันเนี่ยพระฉันสองมือประเคนของหมายทั้งนั้นเลยไม่ใช่เด่นทั้งนั้นเลยนะอันนี้โดนปาจิตติท่นี้เขาก็บอกว่าในที่ประชุมพระอยู่ที่หนึ่งหลายร้อยองค์เขาก็ถกกันเรื่องนี้เสร็จแล้วพระองค์หนึ่งก็บอกว่าเออนี่พระเจ้าบอกห้ามพัดแล้วผมยังไม่ได้ห้ามพัดเออท่านพูดถูกนะ นั้นถ้าโยมยังไม่ได้ห้ามพัดคือยังไม่ได้บอกว่าตัวเองอิ่มโยมฉันได้นะแต่การไม่ได้บอกว่าตัวเองอิ่มหรือการบอกว่าตัวเองอิ่มนั้นบอกได้โดยลักษณะใดหนึ่งคำพูดพอแล้วสองด้วยอากัปกิริยาทางกายยกมือห้ามแต่ก่อนพระในคำสุการเขาฉันกันคือประเคนมาฉันก็กินต่อหน้าเลยแล้วก็ถวายมาเรื่อยๆประเคนมากินไปประเคนมากินไปประเคนมากินไป จนเราอิ่มมาพออิ่มแล้วก็ยังประเค้นต่อทาํอาไงก็ต้องยกมื อ, อห้ามมาใช่ไหมวันนั้นเขาจะดูว่าพระห้ามพัดหรือยังยังไม่ห้ามฉันจะให้เลือ่อยให้เลือ่อยเอ า, าให้ท้องแตกเลยเกินได้กินไปใช่ไหมแต่ถ้าพระบอกโอ้ไม่ไหวแล้ว ย, ยอมแพก้ก็อ่ะหยุดใช่ไหมนั่นคือท่านห้ามพัดเข้าใจไหมนี่ห้ามพัดคือเหตุปัจจัยอย่างนี้แต่ท่านี้โยมไม่บอกห้าม ไม่พูดห้ามวิธีห้ามพัดใช่ไหมลุกลุกหนีเลยะไม่ไหวแล้วบอกไงเขาก็ยังบังคับอยู่ลุกพระเจ้าจึงบอกว่าการลุกขึ้นจากอาสนะเป็นอันห้ามพัดโดยอัตโนมัติด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการห้ามพัดนะเพราะะฉนั้นทางออกของพระที่บอกว่าเอ้ผมไม่ได้ห้ามพัดนี่อะถ้างั้นคุณอย่าลุกขึ้นจากที่นั่งฉันนะ ถ้าคุณลุกแสดงว่าคุณห้ามพัดด้วยเพราะพูะเจ้าบัญญัติไว้ว่าการลุกของคุณเนี่ยเป็นอันห้ามพัดด้วยเพราะนั้นมีทางออกจุดเดียวที่พระจะฉันมือสองที่เป็นอาหารใหม่ได้ที่โยมประเคนใหม่คือห้ามลุกจากที่นั่งจากการฉันครั้งแรกแล้วมีพระที่ไหนทําอย่างงี้ไหนั่งตั้งแต่เช้ายันเพลนอีกรอบหนึ่งต่อก็ไม่มีเห็นลุกจากอาสนะหมดน่ะใช่ไหอืเพราะนั้นก็จะจะ โดนถูกปรับประบาดพจิตตีนี่แหละ <c oughs> หรืออีกช่องทางหนึ่งนะเราก็พยายามคิดนะเอ๊ะจะทํำยังไงนะจะฉันได้นะเรื่องไอ้คิดทางออกเนี่ยพระเนี่ยฉลาดมากอยู่นะเราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะจะทำยังไงนะฉันมือสองได้อัตมาก็มาคิดได้ว่าอ๋ออย่างนี้อท่านอิฐร <c oughs> ับอาเคียนแล้วเอ้ยท่านอิฐรับไว้เยอะๆนะอืม นี่ก็บอกอาจารย์รับไป้ผมเยอะๆด้วยแล้วต่างคนต่างชั้นเสร็จก็มอบเดนให้กันอ่านี่ชั้นรอบสองได้ไงเนี่ยทราบพระธรรอย่างนี้ได้นะสูเอีะกันนะใช่ไหมอ่าอาราก็จะรับไปเยอะท่านก็รับไปเยอะแล้วต่างคนต่างก็มามอบเดนให้กันก็ถูกก็ไม่ผิดน่ะตามบัญญัติผู้เจ้าเลยใช่ไหมก็ท่านรับของเป็นเดนจากอาจารย์อาจารย์ก็รับของเป็นเดนจากท่านใช่ไหมอืมก็ไม่ผิด เนี่ย <Yeah. S 1> ออกได้อย่างนี้อย่างอื่นนี่ยังหาหาช่องทางไม่เจอนะอ <c oughs> คำถามต่อไปเทวดารักษาในสิบเอ็ดอ น, นิสงส์เจริญเทวดารักษารักษาอะไรเนาะสิบเอ็ดอ น, นิสงส์น อ, อ, อ น, นิสงส์เบเอ็ดในอ๋ออนิสงส์สิบเอ็ดเจริญเมตตาละมั้ง หรือว่ามันมีสองอันเทวดารักษาโยมอาจจะเขียนไม่ชัดก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นแง่มุมใดตรงนี้น่าจะเป็นอนิสงส์สิบเอดประการใช่ไหมเช่นบอกว่าของการเจริญเมตตานะรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะถ้ายมเจริญเมตตาเรื่อยๆนะผู้เจ้าตัดอย่างนี้ เับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยาดารักษานะอ่าไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดพองไม่หลงทาการละเมื่อยังไม่ลุกคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกโอ๋ออาตมารู้แล้ว ทำไมเข้ามาพระเทวจะสอนญาติโยมว่าเนี่ยมีเทวดาประจำตัวนะนี่นี่นีมาจากนี่แน่เลยนี่ใช่ไหมถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วต้องมันนั่งประจำตัวโยมเนี่ยมัมาไม่ไปเกิดดีกว่านะเสียเวลานะางนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีละเองมาเป็นเบค่ามามานั่งรักษาอย่างเนี้ยตายกันพอดีโยมเนาะ แทนี่ก็ไปเกิดเป็นบดาเหาะเอินเนากาศไปเที่ยวสนุกสนุกต้องนั่งเฝ้าโยมโอ้มันจะไปขี้ก็นั่งนั่งอยู่หน้าห้องน้ำไม่ไม่ไหวพู้เจ้าจะอธิบายอีกพระสูตรหนึ่งนะว่าเออมันคิดกันไปได้นะนินะ คืออีกวัสูุหนึ่งพระเจ้า 101, <c oughs> จะบอกอย่างนี้ยม <c oughs> เดิอถ้าเราแผ่เมตตาให้พรมให้เทวดาแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างพรมเทวดากับเราซึ่งก็แล้วแต่มันจะ เ, เขาจะเกื้อกูลเราหรือไม่เกื้อกูลหรืออยู่ที่จังหวะโอกาสหรือกรรมที่มีต่อกันอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ว่าเขาจะต้องมาดูแลรักษาเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะอือันนี้ก็เติมบทพันธะพระเจ้าเกินไปอีกนะอืม ถ้าอย่างนี้ถ้าจะแปลอาจจะเป็นสำนวนของการแปลถ้าจะตรวจเช็คนะอาตมาอยากตรวจเช็คบาลีตัวนี้กับบาลีตัวที่ผู้เจ้าบอกว่าจะเกิดการเกือ้อกูลกันระหว่างเทวดากับเราเมื่อแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาหรือพรมอย่างเนี้ดูว่าผู้เจ้าใช้บาลีตัวเดียวกันไหมถ้าใช้ตัวเดียวกันอันนี้เป็นสำนวนภาษาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีการรักษาน่าจะเป็นเทวดาเนี่ยเกือ้อกูลอย่างนี้ แค่นั้นเองเนี่ยวิธีการตรวจเราจะเจอประเด็นอย่างเงี้ยเยอะแยะนะนั้นถ้าเราตรวจเนี่ยเราจะเราจะชัดเจนเลยเราจะได้แง่มุมเนะมตตาเจริญเมตตาคืออะไรนะก็นะ ก, นะก็มีควา ม, มาเมตตาก็คืออ่ เขาไม่ต้องไม่ต้องขอเราก็นะ่ะยินดีหยิบยืน่นนะ่ะความหวังดีความปรารถนาดีให้นะ่ะความช่วยเหลือให้มีเมตตาอเอ่อหลักในการทำก็คือจิตต้องปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลน่นะสังโยชน์คื อ, อะายเครื่องร้อยลัดจิตสิบประการ อธิบายที่พระอริยบุคลคลขั้นต้นละได้อย่างไรก็ละสิลพัตาปรามาณ์ระละสักกายทิติสิลพัตตาปรามาณวิจิกิจฉาได้นะ <c oughs> สักกายทิตินี่อธิบายผิดกันเยอะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะไปอธิบายว่าละรูปได้แต่จริงๆไม่ใช่ละความความเห็นผิดที่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนได้ ละได้แค่นี้แต่ยังละขันท่าไม่ได้นะแค่เปลี่ยนความเห็นได้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเท่านั้นนิโสดาสกิทาคาละได้แค่นี้เปลี่ยนความเห็นได้แล้วก็เมื่อเปลี่ยนความเห็นได้แล้วก็จะเห็นว่ามงคลในแบบสมณพาราหณ์เหล่าอื่นเนี่ยมันไม่ใช่สาระและมันไม่ใช่มงคลที่แท้จริงนะแบบพระุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์อย่าโมวบูชาไฟในภายนอกอยู่เลยให้มาเผาไฟที่เผาลนในจิตใจนี่ดีกว่าเผากิเลสในภายใ น, ใน อย่าโมเผาไม้และฟืนในภายนอกอย่างนี้ก็จะเห็นคนละมุมกับสมณภราพม์เหล่าอื่นละก็วิจิตรช้าความสงสัยลังเลในเส้นทางมรรคและปฏิปทาหนทางการปฏิบัติก็จะหมดไปนะจะมั่นคงในคำสอนพระศาสดานะพระสอนวาดภาพศิลปะให้ลูกศิษย์ที่เป็นโยมผิดวินัยหรือไม่หรือพระวาดภาพเป็นงานอดิเรก มีผู้ทวจน a กล่าวรับรองหรือไม่ที่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงไปนิพพานทรงสั่งไว้ว่าให้เพิกถอนสิขาบทได้เล็กน้อยถ้าเป็นจริงคือสิ่งข้อใดครับพระสอนว่าภาพศิลปะให้ลูกศิษย์ที่เป็นโยม <c oughs> ผิดวินัยหรือไม่พระวาดภาพเป็นงานอดิเลก ก็ถ้าช่างถ้าพระเคยเป็นช่างตัดผมเนี่ยมีคราวหนึ่งที่พระพ่อลูกเนี่ย อ, อยากจะถวายอาหารพู้เจ้าแล้วก็เฮไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปรับตัดผมนะ แล้วก็เอาเงินมาทำอาหารให้ผู้เจ้าผู้เจ้ามาถึงปุ๊บก็ดูอาหารที่เขาทำให้บอกอาหารนี้เธอได้มาอย่างไรก็เลยถามนี่มันมีเหตุเห็นนะอืมกรนีนี้ผ้านนก็เคยโดนนี่เธอได้มาอย่างไงเนี่ยอันเนี้ยอ้เจ้าก็หาอุบายถามรู้หมดละละ่ะนะอืมพระพ่อรูปคู่นั้นก็บอกว่าเนี่ยก็ พอดีเป็นช่างตัดผมเก่าก็อยากทําอาหารถวายพระเจ้าก็เลยไปรับจ้างตัดผมนะพระเจ้าก็เลยสั่งเลขประชุมส่งแล้วก็บัญญัตินะว่าต่อไปเนี่ยพวกช่างตัดผมมาบวชเนี่ยอย่าห้ามเก็บเอาเครื่องมือเก่าของตัวเองไว้นะเพราะฉะนั้นมาจะหวนไปถึงของเก่าเก่าของตัวเองนะแล้วก็ใช้วิชาชีพของตัวเองต่ออะไรอย่างเนี้ย ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เป็นกรณีของช่างตัดผมนะเพราะนั้นในกรณีนี้จะสงเคราะห์กันได้หรือไม่ก็แล้วแต่นะก็คงไม่ใช่หน้าที่ของพระอนะหน้าที่ของพระก็คงจะเป็นเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งาราตรียามสองนอนยาม3ามตื่นตื่นแล้วเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาเฉทั้งเชา้านะ เวลาที่เหลือออกบินตาบาตฉันทำกิจข้อวัดสังสมสุตตะหมดแล้วเวลานะไม่เหลือไว้ให้ทำอย่างอื่นละนะแค่นี้กิจของพระก็ไม่มีความจำเป็นก่อสร้างคุยนอนคลุกคลีปรารถนาเร็วคบปิดชั่วหยุดเลิกเสียในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยเจ็ดอย่างนี้คือความเสื่อมของพิสุจนะ ผู้เจ้าห้ามก่อสร้างมาอันดับหนึ่งเลยทุกวันนี้พระเราทําอันดับหนึ่งเหมือนกันก่อสร้างนะแล้วก็ต่อท่อท่าสีเทปูนมุงหลังคาโบดอะไรต่ออะไรเราก็ทํากันเองหมดเลยนะญาติโยมก็เข้าใจผิดโอ้ท่านไม่ถือตัวเลยนะคะเนี่ยขยันทํางานก่อสร้างไม่กินกินนอนนอนโอ้ขยันจังเลยพระองค์นี้ไปคนละเรื่องเห็นไนหะมองภาพพระผิดนะคิดว่าโอที่ท่านทําอย่างนั้นดี พระลูกศิษย์ก็เอาตัวอย่างอีกทํางานก่อสร้างกันเป็นล่ําเป็นสันนะก็ขนาดเดินสลับนั่งทั้งวันยังจะไม่หลุดพ้นเลยอันนี้เบนไปหาก่อสร้างไปคุยไปนอนไปคลุกคลีก็เรียบร้อยเพราะฉนั้นพุทธบริษัทเราจึงเข้ามรรคผลกันได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไปปฏิบตัติข้อปฏิบตัติอันเป็นเหตุเสริมของพิสูจน์ผู้ยังไม่ลุกทำอันกเกษมจากโยคะนี่เอง พุทธวจนะกล่าวการรับของหรือไม่ที่ว่าก่อนที่พู้เจ้ากล่าวออกการรับรองหรือไม่ล่ะทรงพระมิตรานรับสั่งให้ว่าเพิกถอนสิขาบทเล็กน้อยได้ลองขึ้นให้เ็าดูเนาะถ้าเป็นจริงจริงคือสินข้อใดมีจริงอยู่ อนุญาตให้เพิกถอนได้แต่ยมดูนะหลายประเด็นนะตัดแค่นนนเนี้ยสั้นๆเนี่ยอนุนโดยการที่เราล่วงรับไปแล้วสงจงเลิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการนะสิ่งที่ออกจากปากผู้เจ้ามีอะไรธรรมะกับวินยัยถูกต้องั้ยไม่ได้อนุญาตธรรมะนะถูกต้องั้ยเพราะนั้นถ้าธรรมะเนี่ย ทั้งถอนทั้งเติมไม่ได้ใช่ไหมอ่าที่พระเจ้าบัญดัตในอภิเลนหานิธรรมข้อที่สานะส่วนวินัยก็มีกี่กลุ่มสมกลุ่มใช่ไหมที่ชี้ให้ดูก่อนปฏิโมกปฏิโมกและพิสมาจารย์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสามกลุ่มนี้ <c oughs> ก่อนปฏิโมกให้ไปแตะไม้ไม่ได้ให้แตะปฏิโมกนะสี่นั้นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจารย์นะ อระรบุคคลจะเป็นคนที่มีสินมั่นคงและยั่งยืนให้แต่ไม้ไม่ให้แต่อภิสมาจารย์เป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วนะและบอกว่าพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคานาคาพระหลานก็ยังบกพร่องได้เพราะไม่มีผู้รู้ใดใดกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่า ก็เพราะไม่ใช่สัพพัญญูก็เลยบกพร่องได้นะเพราะนั้นสินกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเพิกถอนได้แต่ไม่ได้ให้บัญญัติเพิ่มเห็นนะเพราะนั้นให้แตะได้สินกลุ่มนี้และห้ามเพิ่มแต่ให้ตัดได้อย่างเดียวยมดูสิตัดแค่นี้นิดเดียวเนี่ยนะธรรมะไม่ได้ทั้งเติมทั้งตัดสิกขาบทกลุ่มหนึ่งสองอย่าไปยุ่ง อภิสมาจารย์ได้แต่ได้ก็เฉพาะตัดไม่ใช่ให้เพิ่มเห็นไหมนี้เดียวจริงๆน ะ, ะแต่คนก็เอาอันนี้ไปฟังแล้วก็หลวมไปอีกดูคข้าๆอ๋อบัญญัติพูะเจ้าไม่เป็นไรเพิกถอนได้อย่างนี้ไปตีความกว้างไปขนาดนั้นเห็นนะนี่เมืเ่อวานได้ชมถ่ายทอดสดเปิดทําขั้นวันเสาร์ กล้องแผนไปเห็นหน้าหญิงสาวใส่ขาสั้นนั่งคัสมาดอยู่หน้าพระอาจารย์ขณะ น, นั้นตัวผู้ถามเองรับรู้ว่าไม่พอใจแล้วก็รีบเทงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีเพียงเท่านี้และผู้ถามก็ได้ทําจบแล้วอ uh huh. ต่อมามีคําถามจากอินเทอร์เน็ตถามในประเด็นนี้ซึ่งตรงกับที่ผู้ถามข้องใจอยู่ประเด็นผู้หญิงแต่งตัวโป้เข้าวัดนั้นต้อง uh huh. ถามมาว่าคล้ายประเด็นการโคนคืวของพระ แม้พระทองค์ไม่ทรงห้ามไว้แต่มุ่คนส่วนใหญ่ทํากันดังนั้นหากพระเจ้ากนหิวก็ทําได้เช่นเดียวกันผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ตระหนักว่าเพศหญิงเป็นอันตรายต่อพระมรรจันทร์ของพระสงฆ์จึงมักแต่งกายมิชิดเข้าวัดดังนั้นการแต่งกายโป๊เข้าวัดแม้พระองค์ทรงมิทรงห้ามแต่ผู้หญิงก็พึงงดเว้นเพื่อเอื้อเฟือ้อเพื่อเอื้อในพระมรรจันทร์ของพระสงฆ์ปัจจุบันการแต่งกายล่อนแหลมใน ในวัดพบได้มากและมากขึ้นเรื่อยๆผู้ถามเห็นว่าหากเปิดช่องนี้ไว้ก็อาจเป็นที่อึดอัดและอันตรายต่อพระสงฆ์ได้ครับอ๋อหน้าห้องพักบอกไม่ต้องชําระก็ได้โยมนั่งมันทั้งอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้คือมันพิธีการมากเกินนะ่ะนะแล้วเรก็ไปติดพิธีการกันไอ้นุ่งห่มดีมันก็ดีอยู่อัตมาก็ไม่อยากพูดหรอกว่าผู้เจ้าว่าแวงไงหญิงนุ่งชั่วห่มชั่วอย่างนี้นะเมื่อเธอเข้าไปบิณฑบาต นในละแวกบ้านเจอมาตุขามนุ่งชั่วห่มชั่วราคาก็เสียบแทงจิตของเธอยมไปอ่านในคุมทรัพย์จากพระโอที่โอ้โหดารแบบแซบอีหรีเลยใช่ไหมแล้วจะมาจะมาพูดยมไปนั่งอ่าน เ, าเองแล้วกันอาตมากเา็เหมือนกันละอายที่จะด่าใคระนะ เ, เราก็ไม่อยากด่าให้เขาไปนั่งอ่านเองดีมัแล้วให้เขารู้สึกเองแล้วเขาพัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยเองใช่ไหม แลวยมก็บอกว่ากล้องแพนไปหญิงสาวใส่แว่นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไอเจ้าเอิร์ดหน้าห ว, วานหวานเหมือนผู้หญิงยมดูในกล้องเลยเห็นเป็นผู้หญิง ผู้ชายลูกของยมนิดจบเคมบิดัน์นั่นน่ะสอบเรียนเก่งมากแล้วก็โอ้โหตอนนี้เป็นมือโปรพุทธวจนะนะอายุสิบห้าเองนะสนใจตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วเข้าไปสู้ในเฟซบุ๊กเข้าไปสู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆใครเอาคำสาบกมาเอาคำผู้เจ้าอัดเข้าไปสู้สูสููได้เจ้าเอิญนี่แหละนะอืม ก็เข้มแข็งกับคำพู้จ้า ม, มากนะ <c oughs> แล้วก็คล่องเลยนะพระพูดผิดนี่บอกเลยรู้เลยนี่พระองค์เนี้ยไม่แยบคายนี่ละเอียดคืออย่างนี้ใช่ไหมอือหูละเอียดมากนะเขาสอบข้อสอบอินเทอร์เนชั่นแนลอ่ะนะของเขมบริดเนี่ยเขาส่งข้อสอบไปทั่วโลกอะ่ะใช่ไหแล้วเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วเขาสอบข้อสอบอินเทอร์เนชั่นแนลได้เอ็กนซะ์แลนเนอ่ะนะอ่าทางโน้นก็ <c oughs> ส่งคำชื่นชมมา ก็เป็นเด็กไทยที่เก่งคนหนึ่งนะก็เ <c> จ <oughs> ้าเอิญนั่นเองนะนี่อนิจจังผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะพระตรัสกับพระรวาชานะ <c oughs> ได้เห็นมาได้ยินมาโอ้โหแน่เลยเนี่ยฉันเห็นกับตาเลยนะเนี่ยนะ <c oughs> ก็วางเป็นอนิจจังไว้ก่อนนะอาตมาไปที่วัด พระฝรั่งอยู่วัดหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ไปอู้หูเห็นพระโยงนึกว่าภิกษุณีจริงๆเป็นผู้ชายหน้าหวานเหมือนผู้หญิงเลยนะโอ้โหมันไม่ใช่หลอมันสวยเลยอะนะแล้วตาสีฟ้าขนตางอนโอ้โไอ้นี่มันผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยมันเข้ามาคุกคีกับพระเลยนะอืมกันเนี่ยนะอายาตนามันก็หลอกเราได้นะอืม นั้นอันนี้อาตมาก็ไม่เป็นไรเคยเห็นทั้งโทษทั้งประโยชน์ของมันก็เอาตามที่พู้เจ้าว่าเราก็ไม่ไปบังคับอะไรเขาละว่าน่ะนะให้เขาค่อยๆรู้สึกสานึกเอง <c oughs> เพราะว่า อ, อย่างนะโยมนะถ้าโยมเนี่ยไปไปซีเรียสกับพวกนี้มากนะถ้าอาตมาคงจะมีศัตรูเยอะขึ้นอีกเยอะนะ <c oughs> จริงๆแบบว่าบางทีนะเออ ตอนนั้นก็มียอมผู้หญิงคนก็นั่งร้องไห้บอกโอ้ยสามีเนี่ยไม่เก๊กมา์เล่กเ ก, กเลเล่เมาเหล้าไม่เคยมาวัดเลยอะไาก็อัสอนไปบอกไปไม่เป็นไรยอมอดทนไปค่อยค่อยบอกสอนไปเรื่อยๆผ่านไปสามสีป่ปีเขาก็พาสามีมาวัดได้ให้สามีมาวัดเสร็จแล้วก็โอ้โหป่วนเลยนะอืม นั่งบนศาลาก็นั่งการหนังสือพิมพ์อ่านมันไม่ได้สนใจแล้วมันก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยนะพอเราเทศมันก็เดินไปเดินมาบนศาลาปวดเลยเราก็ไปว่าเราก็ไม่ว่าเออคนมันไม่รู้เรื่องไว้เนีน่ยนะก็อย่าพ่งไปว่านะก็เฉยๆค่อยๆสักพักหนึ่งผ่านไปผ่านไปกว่าเขาจะมาได้อย่างนี้นะกว่าเขาจะเข้าวัดได้นะสิบปีนะเมียนั่งร้องไห้อยู่สิบปีเนี่ยนะ <c oughs> พอเข้าวัดเขาก็เริ่มซึมซับนะเอเดินไปฆ่าก็เทศไปเองก็เดินไปออย่างอ่านหนังสือพิมพ์ฆ่าก็เทศไปนะมันก็เข้าหูไปบ้างเข้าหัวไปบ้างผ่านไปสมปี4ปีเดี๋ยวนี้ยมเต้ยนี่เป็นมือโปรนั่งอ่านแต่จากพระโอษเอห็นไมอ่ไม่อ่านอย่างอื่นอ่านจากพระโอษอย่างเดียวทีแรกก็ มาขอจะมาหนังสือมีไหมก็อ่านหนังสือสาวกเอาไปอ่านสิแต่ก่อนยังมีหนังสือสาวกเดี๋ยวนี้โล่ไปหมดแล้วไม่ก็อ่านอ่านหนังสือสาวกเสร็จหมดก็อาจารย์ผมอ่านหนังสืออาจารย์หมดทั้งบ้านแล้วมีอะไรอ่านอีกอันนี้เอาเล่มนี้ไปอ่านโอ้เอาขนาดนั้นเลยเนี่ยข้าพุทธเจ้าไม่ไหวมั้งเนี่ยเอออ่านเถอะมันก็อ่านหมดแล้วนี่ครัครับลองอ่านดูเขานั่งอ่านอ่านอ่านไปเสร็จโยมลงไปถามความเห็นโยมเต้เดี๋ยวนี้สิ ไม่อยากอ่านหนังสือเลยสุดยอดอาจารย์สุดยอดโอ้โหนั่งอ่านทุกเช้ามาวัดนั่งอ่านเดี๋ยวนี้อ่านปฏิจจสุบาทแล้วยิง่งโอ้โหปฏิจจสุบัตสุดยอดเลยเยี่ยมจริงๆแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครไม่สุงสิงกับใครหามุมสงบนั่งเงียบอยู่คนเดียวเสร็จอ่านไปนั่งสมาธิไปอ่านไปเดินยงก็ไม่สนใจเห็นไหมมาจากคนเร็วๆนี่แหละโยมไอ้โจเตอร์เนี่ยนักเลงหัวไม้ก่าวเลยย่านห้องสิบเลยเนี่ยใช่ไหม กินเหล้าเมายาตลอดถ้าโยงไปด่ามันตอนนั้นหมดเลยเห็นไหมก็ะจะไม่ได้เข้านะวันนี้อ่ะใช่ไหมอีกคนน่ะเป็นในพนมาเนี่ยพอมาถึงก็มาป่วนเลย <c oughs> อันนี้ก็โอ้โหแบกยศมาซะเต็มที่เลยพอมาถึงสาลากับไม่สนใจใครแล้วเราก็เทศไปพปนก็คุยไว้นะรับโทรสับคุยคนอื่นก็นเงียบพนมนั่งสมาธิบ้านี่คุยอยู่คนเนี้ยส่งเสียงจกจ๊จอน่ ไอ้เราจะด่ามันก็ในพนเลยเดี๋ยวมันก็ไม่นะมันจะไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าอทนไปไม่เป็นไรนเดี๋ยวนี้นะผ่านไปสามปีซีดีตั้งเงียบนั่งฝังธรรมะเงียบนะเป็นมือมือช่วยทําซีดีอีกเหมือนกันนะอาจารย์มีซีดีอะไรนะผมกเ็เกษียณแล้วเนี่ยผมเอาไปไล่ให้โอ้โหปั๊มซีดีมาแจกทีละห้าร้อยแผ่นพันแผ่นให้เราได้แจกพวกเราอย่างเงี้ยใช่ไหม ออาตมาก็ต้องมีความอดทนกับพวกนี้อดทนกับผู้ที่นุ่งชั่วหมชั่วอดทนกับผู้ที่พูดมากนะเลอะเทอะอะไรต่ออะไรไมันต้องอดทนหมดนะโยมโยมจะไปโฉงช้างด่าว่าอะไรไปทุกกรณีมันก็แย่นะเราก็มองประโยชน์ของาศาสนาเป็นหลักอย่างนี้ใช่มไหอเนาะมันก็ต้องพิจารณ์ เมื่อวานที่ยูพุทธและสลารมาลัยได้ยินพระอาจารย์พูดว่าขนาดจิตกับญาตโยมถึงสองครั้งก็ถามว่าค า, าว่าปรามัดเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เห็นหลายๆสำนักชอบเอามาใช้สอนกันอย่างเป็นจริงเป็นจงังแต่ไม่เคยเห็นพระอาจารย์พูดถึงเลยคิดว่าน่าจะเป็นอัธกถาเมื่อวานนี้ได้เห็นคํานี้แว บ, บหนึ่งในพระสูตรจึงไม่แน่ใจว่าความหมายเหมือนกับที่สอนการทั่วๆไปหรือไม่และในั้งพุทธการมีการสมาธิสมาทานศีลกันกรหรือไม่ ถ้ามีจะทำในอโอการใดและใช้บทเป็นชนะเดียวกับที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่ครับไม่มีหรอกไอ้พวกนี้แต่งใหม่เที่พูพุทธ س มาินขณะจิตนยา่าชมอ๋อมีคนถามเรื่องขณะจิตทีมพระก็ไปหามาให้แล้วเป็นอะไรนะอธิคฐานนะอยู่ในอภิธรรม <c oughs> เป็นอนธรธกถาหมดอยู่ในพิธรรมแล้วก็บอกพระสูตรบอกเล่มข้อหน้ามาให้เสร็จเรียบร้อยมีแค่นี้มีกี่จุดนะกี่จุดนะก็ออกมาให้หมดโ <c oughs> ยมที่เขาถามเขาก็เซียนอภิธรรมมาเหมือนกันคนนี้เป็นนาววาอากาศโทรหรืออากาศเอกเขาก็อยู่กับวัดในสายนันและแล้วก็เรียนอภิธรรมมาเสร็จแล้วเขาก็มาฟังอรรัตมาเขาก็ก็เลย มันนั่งโต๊ะตับมาเสร็จแล้วบอกถกกันไปถกกันมาอยู่หลายรอบเหมือนกันบอกนี่ไอความรู้ที่ผมเรียนมาเนี่ยมันบทท่าไปเลย <c oughs> มันก็คนละเรื่องอีกเดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มมาประจบนประจํานี่ก็แขกใหม่เหมือนกันนี่นะเพิ่งมาเมื่อไม่กี่รอบแต่ก็เลยมาประจําไปเรื่อย <c oughs> แล้วก็จะมีอะไรถามมาเรื่อยเพราะว่าของเก่าๆก็ยัง ติดอยู่เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เลยถามเยอะเหมือนกันคำว่าปรามัติมันเคยหาแล้วอะเนาะจำไม่ได้มันคำมันเยอ ะ, อะนะบางทีหาแล้วก็ <c oughs> ในในจากพระโอษฐ์เนี่ยไม่ไม่มีหรอกคำว่าปรามาตัติมีว่าปรามาติเนี่ยปรามาณิทศ จ, จักก็คือเอ่อความจริงแต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับปรามาติที่ ที่ใช้กันอยู่ในคำของสาวกที่ใช้กันคนคนละอย่างนะคิดว่าน่าจะเป็นอัธกถ า, ธาเมื่อวันนี้ได้เห็นแว บ, บหนึ่งในพระสูตรจิงไม่แน่ใจว่าความหมายเหมือนกันกับที่เขาสอนทั่วไปไหมไม่เหมือนก็เหมือนกับว่าเจตสิกน ะ, ะก็เจตสิกเหมือนกันพระเจ้าก็ตัดเจตสิกไว้แค่9ก้าคำเราก็ไปนั่งปรุงแต่งกันห้าสิดวงเป็นร้อยดวงอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็ปรุงแต่ง ในการสมาทานศีลหรือไม่ตั้งเจตนาก็ได้แล้วไม่มีบทสมาทานอะไรอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้อันนี้แต่งขึ้นนะหลายกรณีที่มีความลำบากใจในการแยกประเพณีพิธีการพิธีกรรมซึ่งหลายฝ่ายวงเล็บผู้ใหญ่บอกว่าเป็นการน้อมนําใจให้อ่อนโยนโนมเข้าหาพระพุทธเจ้าถ้าตัดพิธีกรรมออกหมดคนจะเควงมากขึ้นหรือไม่อย่างกรณีไหว้พระเก้าวัดเกวัดและอื่นๆ ก็มีห ล, หลายๆท่านว่านเน้นการดึงคนเข้าวัดเป็นอา่าพอดีนะครับเป็นเป็นประการแรกแล้วค่อยโน้มนำจิตเข้าลดแล้วค่อยโน้มนำจิตขอทราบคอเห็นพระอาจารย์ครับโอ้ยไม่ต้องไปใช้อุบายแบบโลกโลกหรอกนะอุบายแบบโลกมันก็ใช้กันไปนะเราก็ธรรมะตรงๆนี่แหละ ศา ส, สนาแผ่ไพศาลไปทั่วโลกสมัยครั้งพระศาสดาจําเป็นต้องใช้อุบายแบบโลกโลกไหมไม่ต้องเลยนะสอนธรรมะตรงๆวิธีที่จะพ้นจากความตายใครก็ไม่อยากตายพอบอกว่ามีวิธีแก้ตายได้เหมือนยาชะลอความแก่มีนะโอ้ยมกินเงินใหญ่เลยยาชะลอความแก่นะกูไปดึงหน้าผ่าตาผ่าอะไรกันอุตลุดนะเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากตายนะแต่ถ้ามี ยาแก้ตายจริงๆขึ้นมาใช่ไหมโยมจะไม่อยากได้แล้วอยากได้นะทุกคนอยากได้หมดนะ่ะธรรมะเพียวๆบริสุทธิ์น่ะนั้นเราต้องแยกสัจจากความจริงกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนที่อาตมาบอกในค่ำวันเสาร์อ่ะทำไมโยมผู้ชายมานั่งใส่เสื้อทําไมทำไมโยมไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไว้ผู้ชายไทยก็ถอดเสื้อกันโยมใส่ทําไมถ้าทําไมโยมไม่รักษาของเก่าอ่ะโยมทําผิดประเพณีนั่นนี่ ประเพณีวัฒนธรรมมันเปลี่ยนเลื่อยอะโยมโยมจะไปเอาอะไรแน่นอนกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีมันเป็นที่คนบัญญตัติแล้วก็ส ม, มุดขึ้นมันเปลี่ยนไปตามเหตุปจัจจัยทําการเวลาบทพันธนะอักษ ร, รยังเปลี่ยนเลยขนาดแค่ยุคเรายังเจอเลยเห็นไหมสมัยโยมเรียนเนี่ยอาตมาก็เรียนสมดุลเนี่ยเดี๋ยวนี้สมบัดดุลอีกแล้วเห็นป่ะเนี่ ย, นนยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปอ่านคําสมัยรห้านะ หน้าไม่มีหอหีบเขียนว่าหน้าน้อยเอกหน้ า, นาแต่ใช้ความหมายเดียวกว่าหน้ามีหอหีบอย่างเนี้ยเป็นใช้เปนไม่มีไม่แต่คููมันเปลี่ยนตลอดนะโยมเอาแล้วทำไมไม่รักษาคำสมัยรห้ารหนึ่งเอาไว้ล่ะโยมมาเปลี่ยนทำไมอะ่ะถ้าว่าจะรักษาก็เพราะมันไม่ใช่สัจจะน่ะโลกอะโลกมันเปลี่ยนแปลงอะแต่สัจจะศา ส, สาไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ได้มันคือสัจจะ นะความจริงที่ไม่มีใครรู้ผู้เจ้ารู้คนเดียวเพราะฉะนั้นโยมต้องแยกแยกเรื่องนั้นออกจากสัจจะให้ดีอย่าเอามาปนกันพระดาถึงบอกอย่าเอามาปนเปื้อนคํำพระรสัจจะไงผู้ใหญ่บอกเป็นการน้อมใจนี่ก็เป็นความเห็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านาะแล้วผู้ใหญ่แต่ละคนก็บอกไม่เหมือนกันอีกนะอืไม่รู้จะเชื่อใครนะถ้าตัดพิธีกรรมออกหมด คนจะเคว้งคว้างมากขึ้นหรือไม่นั่นก็เป็นความเห็นของโยมนะหรือความเห็นของคนที่คิดอย่างนั้นนะในครั้งพุทธกาลพิธีกรรมที่พระเจ้ามีนะเช่นกระถินพระเจ้าก็มีพิธีกรรมของกรถินพิธีกรรมการลงอุโบสถนะพิธีกรรมนั่นนู่นนี่พระเจ้าเป็นคนบัญญัตินะแต่พิธีกรรมอะไรที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติอันนั้นก็เป็น ในกรนายขอบัญญัติแล้วอาจารย์กรอาจารย์ขอบัญญัติยอมไปเอามาเป็นศาสนาพุทธทำไมไม่เกี่ยวนั้นตอนนี้เรากําลังแยกอะไรศาสนาพุทธอะไรไม่ใช่ศา ส, สนาพุทธคือคําออกจากปากศาสดาอะไรที่ไม่ออกจากปากศาสดานั่นแสดงว่าไม่ใช่แล้วต้องเอาออกไปนี่ยิ่งชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บคำที่ไม่ใช่คําพระเจ้าจะเป็นนอกศาสนาไปไปละทีนี้จะยิ่งชัดเจนมากใครไม่ใช่คําพระเจ้าก็จะตกล่วงไปตกล่วงไปไล้ค่าไร้าราคาไปเรื่อย ก็จะเป็นแสงหิ่งห้อยเป็นคำหิ่งห้อยไปหมดค่าหมดราคาไปนะเพราะนั้นดึงคนเข้าเข้าวัดไหวพระก้าวัดไรไม่จาเป็นหลักยยมนะให้เขารู้สัจจกความจริงรับรองว่ า, าศาสนาจะแผ่่ัยสารไปทั่วโลกอีกรอบหนึ่งถ้าโยมใช้แต่คำาศาสดาเพียวๆและคนจะหลุดพ้นได้จริงด้วย พระธุดงที่มาปรากฏตามหมู่บ้านจัดสรรถือว่าผิดวินัยหรือไม่ท่านจะมาปรากฏประมาณหนึ่งสองเดือนครั้งอยู่ครั้งละเป็นอาทิตย์ครับไม่มีพระธุดงค์เขาวิ่งหาหมู่บ้านหรอกเขาม่แต่วิ่งออกจากหมู่บ้านให้พวกนี้ทุดงปลอมทั้งนั้นนะโยมอย่าไปสนใจมันเลยนะธุดงตามหมู่บ้านเนี่ยขอเงินทั้งนั้นนะนะไรสาละนะ อ, อาชีพที่พระศาสดาทรงห้ามชาวพุทธมีอะไรบ้าง หุ้นกองทุนประกันชีวิตห้ามหรือไม่ครับอาเล่นหุ้นด้วยมอ่าก็ค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์อ่พวกหุ้นกองทุนอะไรอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ตรัสบอกเอาไว้ก็ตรัสบอกอาชีพที่ไม่ควรทำห้าอย่างที่เหลือก็ทำไปเถอะอาชีพมีเป็นแสนเป็นล้านอาชีพนะพระเจ้าไม่มานั่งสาธยายก็บอกแต่ห้าอัน ที่ไม่ควรทําพอแล้วแค่นี้ไอ้ที่ไม่บอกก็คือไอ้ที่ไม่อยู่ในข้อห้าก็ทําได้ตามสะดวกนะ <c oughs> บทสวดพระปริศเป็นของพระพุทธเจ้าหรือพระอัฏฐกถาจารย์การแผ่เมตตาการอนุทิพส่วนกุศลในสมัยพู้จการมีหรือไม่บทสวดมหาประทานเป็นของพระอัฏฐกถาจารย์ใช่หรือไม่ครับอืม ก็ปลิศ ต, ตอไปแล้วก็ไส้ในไม่เหมือนกันแพ่เมตตาทิศบุญกุศลพุทธการมีไหมมีบทสวดมหาประธานเป็นของอัตกาจารย์หรือไม่ต้องไปดูไส้นายก่อนไ อ, ไอชื่อนี่มันซ้ําซ้อนกันเยอะนะก็เหมือนกับชื่ออภิธรรมที่ชื่อเหมือนกันแต่ไส้นายไม่เหมือนกันนะก็ต้องขอรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็ไปสแกนตรวจสอบ ทางพุทธวจนะไม่มีการบริกรรมคาถาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่จากประวัติศาสตร์ชาติไทยพระนเรศวรก็ดีพระเจ้าตากสินมหาราชก็ดีเวราจะยกทัพประชิดข้าศึกก็สวดบทพาหุงมหาการทุกครั้งและก็ได้รับชัยชนะตลอดนี่เป็นเหตุจากการที่พาหุงมหาการเป็นการสวดสังเสริมคุณพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งบาปมานและได้ชัยชนะ ใ, ในที่สุดหรือไม่แม้สาวกจะเป็นผู้แต่งแต่ก็แต่งด้วยคาที่ พูดแต่ความเก่งบารมีของพระ เ, เจ้าทั้งนั้นถือว่าบทสวนี้ศักดิ์สิทธิ์มากขอขอเห็นพระจารย์ครับไม่มีความเห็นหรอกอาตมาก็ใช้ความเห็นสัสดาก็ยมกลับไปดูกลับไปดูสิพระสูตรนี้ให้ดีใช่ไหอ่านทวนอีกสักร้อยรอบ นะถ้าโยมถูกผู้เจ้าก็ผิดมันก็แค่นั้นเองง่ายๆผู้เจ้าก็บอกแล้วสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกองประเภทกับกอนมันจะดีสวยสละสลวยขนาดไหนก็ตามอย่าไปเยี่ยหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทุ่ถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเราเรียนศา ส, สดาตรัสไม่ใช่อัตมาพูดอัตมาเอาคําศาสดามาให้โยมได้ยินเพราะนั้นโยมต้องไปนั่งเถียงกับผู้เจ้าเองนะต้องไปเข้าพบผู้เจ้าแล้วบอกที่ผู้เจ้าพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเลย กับผมว่าอันเนี้ยสัรเสริญพระเจ้าเนี่ยมันดีแล้วใช่ไหมอ่าเพราะนั้นอาตมาก็ไม่เอาเพราะพระผู้เจ้าก็บอกแล้วเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกใช่ไหอีกพระสูตรหนึ่งอะไร <c oughs> บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วนะกลองสืกของกษัตริทสศราหาเรียกว่าอากาศนั่นมีอยู่ เมื่อกลองอนากาศนี้มีแผลแตกหรือลิผู้กษัตริย์ทศารหะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมลงในรอยแตกนั้นพิกษุ์ทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นใช่ไหมพิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตผู้เจ้ารู้เลยในอนาคตนะจากมีพิกษุ์ทั้งหลาย สุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโล ก, กุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุนญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมกากล่าวอยู่เธอจกไม่ฟังด้วยดีในอนาคตจะมีพิสูจน์ไม่ยอมฟังคําพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจากไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนหลายคนมาบอกอตาตมาว่าเนี่ยผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดอันนี้พระเจ้าพูดเอง แต่เป็นนัยยะตรงข้ามว่าในอนาคตจะมีพิกูจน์ไม่สนใจคําตถาคตนี่คือนัยยะของความเสื่อมของศาสนาเห็นไนหะ <c oughs> ส่วนสุตตันตะเราได้ที่นักกวีแต่งใหม่แต่งใหม่ไหมแต่งใหม่หมนะร้อยกรองกาบกร อ, อักษรส ล, สลัดสหลุยพัญชนะวิจิตวิจิตไหมวิจิตดีเลิศสวยงามนะเป็นเรื่องนอกแนวะเป็นคํากล่าวของสาวกคํากล่าวสาวกใช่ไม้มคากล่าวสาวก เมื่อมีผู้นำสูตรที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีเธอไปฟังด้วยดีเธอไปเงี่ยหูฟังเธอไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงเธอไปสําคัญว่ามันเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจริงๆนะภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตรต่างๆเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยการอย่างนี้คําพระเจ้าก็จะถูกทอดทิ้งไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้จึงมีแต่พระเนี่ยที่อาตมาไปบรรยายให้พระฟังเป็นพันองค์เนี่ยเขาจะมีแต่พระที่ท่องบทพวกนี้ได้แต่ไม่รู้จักกฎอิทับปัจจิตาไม่รู้จักปฏิจจสุบัติท่องไม่ได้แค่ไม่กี่บรรทัดเองแม้แต่ท่องปลาห่วงหูยาวเยือเลยนะพลิกกลับหน้ากลับหลังกันได้หมดเลยนะแต่ปฏิจจสุบัติท่องไม่ได้เห็นนะคำพระเจ้าถูกทอดทิ้งโดยอัตโนมัติเลยนี่แหละ เนื้อไม้ใหม่ทําเป็นริ่มตีเสริมมันเป็นปัญหาอย่างนี้นะเพราะนั้นโยมตัดใจเชื่อผู้เจ้าให้ร้อยเอร์ซกว่านี้อีกนิดหนึ่งโยมจะไม่เห็นค่าเห็นราคาของตรงนี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็อีกหลายพสูตรนะที่ผู้เจ้าก็จะต้องพูดผิดนะไปทันทีนะพศูรนี้ก็จะต้องผิดว่ผมแย้งผู้เจ้าได้แล้วคาผู้เจ้าไม่อะกาลิโกนะเพราะว่า ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อพศส5 4 5นหระหรือสมัยรัตะนโกสินทร์หรืออะไรก็ตามมีอาจารย์คนนี้แต่งบทนี้ขึ้นมาคำนี้ดีนะอ่าหน้าฟังหน้าศึกษาอ่โยมก็ต้องแย้งกับผู้เจ้าอย่างนี้นะถ้าโยมมีญาณอย่างรู้ในอนาคตแล้วโยมไปอยู่ต่อหน้าผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าพูดอย่างนี้โยมก็ต้องอย่างรู้ไปโอ้เดี๋ยวจะมีอีกกี่พันปี 2,000 ป, ปีจะมีบทพาหุง ม, มหากาขึ้นมานะ โยมก็ต้องค้านผู้เจ้าตรงนี้บอกไม่ใช่บทนี้ดีถ้าพระองค์ว่าดีใช่ไหมก็จะเจอผู้เจ้าตอบมาละ ว, ว่าเป็นยังไงใช่ไหม <c oughs> และโยมก็จะไปอยู่ในกลุ่มที่พู้เจ้าตัดว่ า, เ, าเป็นพวกอะไรเป็นพวกอุ ก, กาจิตวินีตาปริษาโนปฏิปุชาวินีตาพวกที่ฟังแต่คำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่ไม่ยอมฟังคำพระพุทธเจ้าใช่ไหม อผู้อุ ก, กาจิตคืออะไรพิกูจในกรณีนี้สุตตันต์เราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ร้อยกองกราบก้อนักษรสลัดสรวยนี่คนละคนละพะสูนนะแต่ตัดเหมือนกันเลยปวดพันชนะเดียวกันเป๊ะหมดเลยเห็นน ะ, อะพอเอาคำสอนสาวกมากล่าวนะอ่าสูตรนะพิสูุน์ยริษัทในกรณีนี้นะ สุดตันตา์ลาใด้กวีแต่งขึ้นใหม่ร้อยกองกาบกรอักษรสลัสลวยพยัญชนะวิจิตเรื่องนอกแนวคํากล่าวสองสาวกนะไม่ฟังด้วยดีเงี่ยวหูฟังอ่าส่วนสุดตันตา์ลาใดที่เป็นคําของตถาคตข้อความลึกมีความหมายซึ้งนะย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยวหูฟังนะทูลถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกีไหนนะย่อมทําให้เปิดปิดได้ <c oughs> พวกนี้จะเรียกว่านะ Oh, อ๋ออาตมาอ่านผิดเองยังว่าเอ๊ะทำไมมันไปเรียกอุกาจิตวินีตาอันนี้มันคืออีกพระ ส, สูตรหนึ่งที่เป็นพระ ส, สูตรที่ผู้เจ้าให้สนใจคํำผู้เจ้าแต่ถ้าพระ ส, สูตรของอุกาจิตกับปฏิบุตรชาวินีตาจะเริ่มตรงนี้เอาใหม่อ่านใหม่นะภิกษุทั้งหลายบริษัทชื่อนะโยมจะมีชื่อแล้วถ้าโยมไปสนใจตรงนี้นะโยมจะชื่อนี้บริษัทชื่ออุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิบุตรชาวินีตา โนนะอ่ะคือไม่ไม่สนใจคําพุทธเจ้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือพิกษุทั้งหลายในบริษัทใดนะบริษัทใดก็ตามนี่ไม่ได้ว่าพิสูุอย่างเดียวนะว่าถึงญาติโยมเลยนะพูดถึงบริษัทเลย <c oughs> เมื่อสุดตันต์ทั้งหลายที่เป็นตถาคตภาษิตตถาคตภาสิตาเนี่ยอันเป็นตถาคตภาษิตนะอันลึกซึง้งมีอัตถาอันลึกซึง้ง เป็นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตานะอ๋ออันนี้ใส่บาลีเข้ามาให้เห็นด้วยนะคัมภีรานะก็คือลึกซึง้งคัมภีรัฐามีอัถาอันลึกซึง้งนะโลกุตระเป็นโลกุตละเมื่อบุค <c oughs> อันบุคคล น, นํามากล่าวอยู่เธอก็ไม่ฟังด้วยดีเห็นไหมคำพระเจ้าไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน สุวสุตตันตเ์เราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรองเมีสอนสลัดสลวยมีพิจารณาอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันต์คือคำสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีนะเธอก็ไปฟังคำที่แต่งขึ้นใหม่คำของสาวกเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งขึ้นใหม่นั้นแล้วก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกันไม่ทําให้เปิดเผยแจมแจม้งออกมาว่าข้อนี้พันชนะเป็นอย่างไรอัฏฐาเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้ไม่ไงายของที่คว่ำอยู่ให้งายขึ้นได้ไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอุ ก, กาจิตวินีตาปริสา โนปฏิปุชวินิตา <c oughs> ส่วนบริษัทชื่อปฏิปุจชวินิตาปริสาโนอุกาจิตวินิตาก็ตรงข้ามกันจะสนใจแต่คำพระพุทธเจ้าไม่สนใจคําสาวกและพรุทธเจ้าก็ตบท้ายว่าไงภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลบริษัทสองจำพวกนั้นบริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้นคือปฏิปุจชวินิตาปริสาโนอุกาจิตวินีตา โยมก็กลับไปดูปฏิบุตรช้าคืออะไรคือพวกที่ฟังคำผู้เจ้าแล้วไม่สนใจฟังคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำของสา ว, วกนั่นโดนไปสองพสูดแล้วถ้าโยมถูกโยมก็คัดง้างคำผู้เจ้าได้สองพสูดแล้วไม่อากาลิโกละเห็นนะแล้วนะลพสูดที่สามก็คือพสูดที่อาตมาอ่านเมื่อต้นนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็จะไปโดนอีกพสูดหนึ่งคือ เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรนะูเวลาตถาคตพูดแล้วไม่ยอมฟังไม่ยอมสนใจนะแต่ไปสนใจคําคนอื่นและแกล้งทําให้ผิดไปจากคําสอนของศาสดาไปเสียพรนะพุทธเจ้าบอกให้สนใจคําระพุทธเจ้าเอ้ยไม่เป็นไรหลอกนิดหน่อยนิดหน่อยเอาคําคนอื่นก็ได้อย่าง น, นี้โยมจะถูกเรียกว่าเป็นผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรนะูแล้วพระุทธเจ้าก็บอกกับปราช น, น์ว่าช่วยเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรเถิด อย่าเรียกร้องหาเพื่อความเป็นศัตรูเลยนะจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนะโอ้โหโดนหลายพระสูตรเยอะนะการลังเลในการทำบุญให้ทานทำให้อันิสงส์น้อยลงหรือไม่ตัวอย่างเช่นเริ่มต้นตั้งใจยอยากทำบุญ 5,000 บาทเกิดนึกได้ว่าจำเป็นต้องใช้เงินในทางอื่นๆอ0 0 0นจึงทาบุญแค่ 3,000 บาท อย่างนี้ทําให้ได้บุญน้อยลงหรือไม่ผู้ถามคดินเรื่องเล่าของพราหมณ์ยากจนคนหนึ่งทางเนื้อทางตัวมีแต่ผ้านุ่มผืนเดียววันหนึ่งเดือกาศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องการให้ทานพราหมณ์นั้นจึงเข้าใจได้ว่าเป็นได้ว่าที่ตนยากจนเพราะไม่เคยทําทานเลยเกิดจิตเลื่อมใสอยากถวายผ้านุ่มกับพระพุทธเจ้าแต่เกิดลังเลคิดกลับไปกลับมาหลายรอบสุดท้ายจัดสินใจลุกขึ้นกลางที่ประชุมถวายผ้านุ่มผืนเดียวนั้นแก่พระพุทธเจ้า เป็นที่ประทับใจของกษัตริย์ในตอนนั้นโมเด็ปจำชื่อไม่ได้กษัตริย์กษัตริย์จึงให้รางวัลพรามเป็นช้างมาสมมติว่าห้าร้อยตัวต่อมาพระพุทธเจ้าซึ่งรู้ว า, าจจิตของพรามได้กล่าวสรุว่าหากพรามไม่ลังเลแต่ตั้งแต่แรกพรามจะได้ช้างมามากกว่านี้อยากทราบว่าเรื่องนี้มีในพระพุทธประวัติจากพระโอษฐไห ม, มครับเออมีมีใน บาลีสยามัดอยู่เนาะก็ <c oughs> ยังไม่ได้ตรวจให้แน่หรอกแต่เท่าที่ดูตัวบทพระสนะเบื้องต้นเนี่ยก็ดูจะเป็นคําพระพุทธเจ้าอยู่ที่บอกเรื่องนี้นะแต่ตรงนี้ต้องลากไปตรงต้นอีกทีนะถ้าต้นเนี่ยมันมาจากบทว่าที่ว่าความว่าเนี่ยมันจะถูกแต่งขึ้นแล้วบางทีตรงกลางเนี่ยมันก็จะใส่คํา คำวลีคำพูดพู้เจ้าลงไปนี่เป็นการปลอมสองชั้นนะหลอกสองชั้นเลยเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้เราก็จะได้เจอหนังสือที่ใช้คําว่าดูก่อนอานอน์อย่างนี้แล้วก็ตัวเองแต่งเองหมดเลยนะในหนังสืออ า, อาจจะโอวกกัตกรเปรติพานหรืออ น, อนน์พุตานุชาอย่างนี้นะไปดูแล้วอ่านแล้วชอบไหมชอบอาตมาอย่างชอบเลยนะคนอ่านก็ชอบลึกซึ้งอักษรปราณีสลับสลวยได้ความศรัทธา แต่จริงๆแล้วเป็นคำที่เขาแต่งขึ้นน ะ, อะพอไปเทียบเคียงกับคำพุทธเจ้าแล้วโอ้มันไม่ใช่นี่คำแต่งขึ้นแล้วก็มันมีพอพินาลึกซึ้งจริงๆมีข้อผิดอยู่ในนั้นนะและนี่ก็เป็นการปลอมด้วยการใช้วลีคำพูดพุทธเจ้าคือดูก่อน อ, อนน์ไปคนก็เข้าใจผิดแล้วก็ไปหยิบยกในสิ่งที่เขาแต่งขึ้นเนี่ยว่ามาเป็นคาพุทธเจ้าในที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ย ถ้าจะให้ตรวจจริงๆก็ต้องไปนั่งตรวจกันอีกทีนะแต่ถ้าดูจากวลีคำพูดพูะเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นที่เขียนโดยหลวงตามหาบัวแล้วว่าตอนที่หลวงปู่บรรลุพระอรหันต์ได้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าลงมาแสดงความดีด้วยรวมทั้งพระอรหันต์สมุท์ต่างๆหลายองค์ก็มาด้วยและยังมีเทพเทวดาจากภพภูมต่างๆมาขอฟังทำด้วย นี้เป็นเรื่องจริงหรือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันติพันธ์ไปแล้วยังมาปรากฏได้อีกหรือแล้วเทพเทวดาลงมาขอฟังธรรมกับท่านได้หรืออ่านเรื่องเล่าจากลูกศิษย์หลวงปู่ม่านหลวงพ่อชาท่านสามารถอ่านความคิดทายใจพระลูกศิษย์ได้หลายคนทําให้ลูกศิษย์ตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นเพราะกลัวท่านอ่านใจออกพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาเคยโดน ท, นท่านทายใจหรือไม่แล้วที่ท่านทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นอิทธิปฏิหารที่ผิดวินัยหรือไม่ พระสงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อมรณาภาพไปแล้วกระดุมจะกลายเป็นพระธาตุนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จริงใช่ไหมครับเนื่งพระธาตุไม่เกี่ยวนะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเอาไว้ส่วนนักธรรมเคยเจอกรณีของหลวงว่อชาไม้เคยโดนเองเลยน ะ, ะแต่ก่อนเราก็ศรัทธาท่านด้วยเหตุตรงนี้แหละนะ แต่ก่อนก็ไม่เชื่อว่าไอ้คนเราทําได้นะก็เจอหลายครั้งแต่ก็นึกว่าเอ้ยมันบังเอิญฟุกบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่คราวหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระก็นั่งกันเต็มแล้วก็ท่านก็นั่งเป็นประธานอยู่นั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเราก็ได้ยินเสียงเหมือน ช้อนกระทบแก้วก่องแกงก่องแกงก่งแกงเหมือนชงน้ำหวานเราก็นึกสงสัยมีคนชงน้ำหวานข้างล่างโบสถ์เดี๋ยวคงเอาขึ้นมาถวายกำลังหิวไม่เคยชันมือเดียวนะตอนนั้นก็ไปบวชเนรกะหลวงวชาเอานึกไปมากกว่านั้นเองคงเป็นน้ำหวานเฮลบูบอยอไม่รู้สีเขียวสีแดงนะเดี๋ยวนั่งสมาธิเสร็จคงได้ฉัน นึกเสร็จปุ๊บเนี่ยหลงวงพ่อชาก็พูดมากลางวงเลยหิวแล้วบะคึกนะหิวแล้วเหรอครึกฤทธิ์เราชื่อคึกฤทธิ์ท่านก็เรียกเราซ้าๆนะคึกนะคึกไปที่นี่นกันไปที่นี่อ่ะไปกวาดสาราไปถูสาราอะไรอย่างนี้นะอันนี้ท่านก็เลยพูดมาหิวแล้วบะคึกนะเราเลสะดุ้งเลยนะกำลังคิดเรื่องกินอยู่พอดีน ะ, ะเราก็พระมีต้องหลายองค์ไม่ทัก ดันมาบอกเราแล้วก็นั่งมาต้องนานแล้วเงียบๆดันมาเป็นเวลาที่เราคิดเสร็จพอดีนะแมมันบังเอิญขนาดนี้มันคงไม่ใช่แล้วล่ะท่นต้องทําได้แต่ดัง น, นั้นเราก็เลยคิดไปยังไงว่าเออเรื่องพลังของจิตเนี่ยมันต้องมีจริงเราก็คิดอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าอยากจะศึกษานะเราก็เลยมีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ เราสนใจที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็พ อ, อาลาศิกขาเพื่อมาเรียนต่อก็อตอนลาศิกขาก็นึกในใจเออเดี๋ยวจะรักษาสินแปดให้แข้งคัดเลยหลวงชายก็บอกว่าเอาสินห้าพอนะรักษาไว้สินห้าแม่โดนตลอดนะก็ก็เลยพยายามหมั่นรักษาสินห้ามาเรื่อย นะทําให้เราเนี่ยเริ่มหันเข้ามาในทางธรรมะซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยชอบพระเท่าไหร่น ะ, ะแม่พาไปวัดยังไม่ลงรถเลยนะก็นั่งอยู่บนรถเนะี่จนแม่ทำบุญเสร็จก็ขับรถกลับบ้านให้แม่นะไม่ชอบวัดไม่ชอบพระเลยนะอยู่กันคนละโลกดีกว่าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะแล้วก็พอปิดเทอมก็เดินทาง ไปหาท่านประจำอาตมาเดินทางไปถึงที่อยู่บนอาตมา ก, ก็จะตั้งใจรักษาศีลแปนะทานมื้อเดียวนะอยู่วัดเดินยยกมมนั่งสมาธิภาวนาไม่ไปไหนนะอยู่วัดภาวนาไม่ยุ่งกับใครนะตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ท่านก็ให้อาไปดูกุฏินะอยู่ตามสะดวก้ <c oughs> เราก็ทาอย่างนั้นมาเรื่อย วันนักกตะเลิกหยุด3วัน5วันอะไรอย่างนี้ก็จะแวะไปที่อุบลตลอดนะขึ้นไปปฏิบัติภาวนาก็พอค่อยๆเรียนรู้ไปก็เริ่มรู้ว่าอ๋อไอความรู้เหล่านี้นี่มันมันไม่ใช่อริสสสีมันก็เป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริ์ซึ่งผู้เจ้าเนี่ยบอกอึดอัดขยักขยงเกียรติชงังต่อสิ่งเหล่านี้และก็ไม่ได้สรนเริญสิ่งเหล่านี้พระองค์สรรเริญอนุสาสนีปฏิหาริ์นะ แต่หลวงพ่อชานี่ก็ไม่เคยแสดงเรื่องเหล่านี้กับฆราวาสญาติโยมฆราวาสญาติโยมเนี่ยก็จะไม่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านท่านมีความสามารถหรือหลายแต่พระนี่ก็จะโดนกันเรื่อยๆซึ่งาการแสดงกับพระไม่ได้มีอาบัติไม่มีความผิดอะไรพระเปิดเผยความสามารถกันได้บอกความเป็นอะไรบุคคลกันได้ไม่มีอาบัติแต่ถ้าเปิดเผยหรือบอกกับอนุปสัมบันิแปลว่าผู้ที่ไม่ใช่นักบวช อุปสัมบันิคือนักบวชอนุปสัมบันิคือผู้ที่ไม่ใช่นักบวช mm. ก็จะถูกปรับบัติถ้าโกหกไม่มีจริงก็จะถูกปรับบัติประราชิก ค, คือออกจากความเป็นพระไปเลยแรงด้วยเพราะฉะนั้นพระนี่ต้องระวังปากมากนะพูดผิดในเรื่องคุณวิเศษขาดจากความเป็นพระทันทีเลยหูนิดเดียวเองเห็นนะพูดพล่อยๆไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยๆเป็นเทศเปล่าๆประราชิกทันที เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุถ้าเขาสำคัญผิดว่าเขาได้บรรลุไม่เป็นปาชิกไม่เป็นไรมีสถานเดียวเท่านั้นท่านต้องยอมรับความจริงว่าเอ้ยท่านสำคัญผิดไปแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าเอ้ยพูดพร่อยๆอยพูดเล่นเ่นก็ไม่พ้นความผิดนะพูดพรอยไม่ได้เรื่องนี้อาตมาก็ ก็ร้ออซอยู่กับท่านมาตลอดนะนะจนมาพรรษาสีนี้ได้ศึกษาพุทธวจนะอาตมาก็มา 100% ยเซกับพระเจ้าอาตมาก็เริ่มปรับแนวทางโชคดีที่อาตมาปรับได้เพราะอาตมาอยู่ผู้เดียวนะอยู่คนเดียวมาตลอดมีโยมข้อถวายที่ให้แล้วก็ได้อยู่คนเดียวถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็คงจะไม่สามารถนอกแนวทางครูบาอาจารย์ได้ อาตอมาก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาศึกษาพุทธวิชชาและไม่สามารถคล่องแคล่วในคําพระพุทธเจ้าได้นะและสิ่งที่เราปฏิบัติมาก็คงไม่สามารถน้อมเอามาเชื่อมโยงกับที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไปได้นี่มันโอ้เอามาเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะสิ่งที่ปฏิบัติมาพอมาอ่านคําพุทธเจ้ามันลงล็อกกันหมดปับป๊บๆอย่างเนี้ยมันเลยทําให้ให้เราเนี่ยได้ได้แตกฉันในคําพุทธเจ้ามากขึ้นนะแล้วก็ เริ่มเข้าใจเริ่มวางคำสาวกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> จากนั้นก็พยายามจะทำให้ให้ตรงตามที่ผู้เจ้าบัญญัติไม่ใช่ให้ตรงตามสาวกบัญญัติเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ข้อวัดของครูบาอาจารย์เราว่ า, ามีอะไรบ้างอ๋อที่ท่านบัญญัติมาที่ท่านตั้งข้อวัดกติกาสง์ท่านมาท่านก็เอามาจากทรรมวินัยนั่นเองนะเราก็มาทำให้ สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเช่นผู้เจ้าท่านดึงเอกมาจากอปริหานิธรรมเราก็ลากไปดูที่ต้นขั้วอปริหานิธรรมผู้เจ้าก็จะมีการเริ่มพร้อมและเลิกพร้อมกันเราก็มาเสริมข้อวัดด้วยการที่ก่อนทํากิจข้อวัดเข้ามากราบพระพร้อมกันก่อนเริ่มให้พร้อมโดยการเอาเอาการกราบนั้นเป็นเกณฑ์เสร็จแล้วเลิกเสร็จกิจทั้งหมดแล้วก็มาเลิกพร้อมกันนะกราบพระพร้อมกันซึ่ง ก็วัดหลวงพ่อชาไม่มีสตริกถึงขนาดนี้แต่เราก็เพิ่มเข้าไปเพราะว่าให้อภิริยานิรานที่ผู้เจ้าบัญญัตินั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้ น, นในสายปฏิบัติของเราเนี่ยทำงานก่อสร้างกันลุกลามกันไปใหญ่โตเราก็จะตัดการก่อสร้างไม่ให้มีทั้งหมดซึ่งในนี้เนี่ยหลวงตามหาบัววัดหลวงตามหาบัวเนี่ยไม่มีการก่อสร้างหลวงตาบอกตะปูตัวเดียวเราก็ไม่ให้พระตอกอย่างนี้อ่ะหลวงพ่อชากับหลวงตามหาบัวสอนไม่เหมือนกันโยมจะทํำยังไงใช่ไหม เพราะนั้นครูบาอาจารย์สอนไม่ได้เหมือนกันแต่หลวงตาพูดสอนรับกับที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยการก่อสร้างนะผู้เจ้าบอกก่อสร้างคุยนอนคุกรีปัตินาเลยครบมิชื่วยหยุดเลิกเสียนระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยอ่าตรงนี่ก่อสร้างท่านไม่ให้ทำอ่าเราก็เอาปฏิปทาผู้เจ้าได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้เก็บมาตรฐานผู้เจ้าได้ร้อทั้งหมดเนี่ยเก็บไม่หมดใช่ไหมบางคนเก็บได้ห้าสิบต้าสิบเปอแล้วแต่ เราต้องการเก็บทั้งหมดและเมื่อพูะุทธเจ้าบอกว่าต้องทุกบทพิชนะต้องร้อเรเซเรายิ่งต้องพยายามร้อยเเซไม่ให้บกพร่องแม้แต่นิดเดียวอย่างนี้นะนั้นนี่นี่ก็คือที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาเป็นคำพระพเจ้ามันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้นะเพราะอาตมาก็ก็เกิดมาจากสายปฏิบัติเนี่ยอยู่กับกลุ่มท่านมานะเกือบ20ปนะีตั้งแต่ปี2522ที่ได้ไปบวชเนนกับหลวงพ่อชาใช่ <c oughs> มันก็เป็นการโชคดีที่เราได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็ได้มาเจอปริยัติที่ถูกต้องนะอ่าก็จะมีความเห็นอย่างเช่นท่านรู้ท่าตบอกว่าพระหลานไม่ฝันหลวงตามหาบัวบอกพระหลานฝันน่เรียบร้อยเลยหลวงว่อช่าว่าไงใครทราบหลวงว่อช่าบอกว่าพระหานฝันน้อยที่สุดสามองค์ไม่เหมือนกันนะ ทำยังไงอะโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีลูกศิษย์หลวงตามหาบัวหลายคนที่ไม่ชอบท่านผูธทานแล้วก็บอกท่านผูธทานนี่ไม่ใช่นักปฏิบัติหลอกใช้ไม่ได้บอกได้ไงพระหลานไม่ฝันพระหลานต้องฝันสิใช่ไหมเพราะหลวงตามหาบัวเนี่ยนั่งอนอนอยู่ใต้กุฏิหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นส่งเสียงดังเอะโวยวายก็ตกใจลุกขึ้นไปก็ขึ้นไปเอา้าหลวงปู่มั่นทําอะไรเสียงดังตึงตังโครมครางหลวงปู่มั่นก็บอกเอ๊ะ ฝันว่าหมามันขึ้นมาไล่มันออกไปไม่มีอะไรไปกลับไปนอนท่านก็เออพระหลานฝันกันเลยนะแล้วตกลงฝันหรือไม่ฝันในเมื่อสามองค์ซึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นพระหลานทั้งหมดเลยนะดันพูดไม่เหมือนกันเนี่ยแหละเนี่ยแหละเราถึงต้องเอามาเอาเกณฑ์พภาษาสดาไงและเราหาคำตอบพอได้ไหมพอได้เราไปเจอกรณีของพระทัพพระมารบุตรซึ่งเป็นพระหลานแล้ว ถูกนางเมตยาภิกษุณีโจดซึ่งนางเมตยาภิกษุณีถูกพวกพระชพัธคีเนี่ยเกี้ยกล่อมนะให้จนยอมเป็นพวกแล้วก็โจดพระทัพพระว่าข่มขืนนางเมตยาภิกษุณีนะผู้เจ้าก็เรียกพระทัพพะมาสอบเห็นนะทัาพพระทำจริงหรือเปล่านะพระทัพพระทัพพระตอบไงพระผู้มีพระภาคเจ้าสรงทราบไม่ตอบนะาบอกผู้เจ้านะทราบนะอนะ พระเจ้าก็ถามอย่างเดิมอีกถ้าพระทำจริงหรือเปล่าครั้งที่2พระธพระตอบเหมือนเดิมถาครั้งที่3เหมือนเดิมพระธัปพะตอบเหมือนเดิมอีกเอาไงดีนะเราจะเห็นพระราหันกับพระราหันประเภทสัพพันญ์ูโต้กันแล้วนะเออพระเจ้าก็เลยถามใหม่ว่าทัพพระบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้ข้อกล่าวหาเช่นนั้นถ้าทำจงตอบว่าทำถ้าไม่ทำจงตอบว่าไม่ทำพระธัปพะก็ยังไม่ตอบว่าทำหรือไม่ทำอีกนะเออพระธัปพะตอบยังไงพระธัปพะก็เลยบอกว่า แม้แต่โดยความฝันข้าพระองค์ยังไม่เคยฝันเสพกามเลยผู้เจ้าฟังรับปั้งสั่งศึกนางเมตยาภิกษุณีทันทีแสดงว่าผู้เจ้ารับรองคําของพระทัพพาแล้วพอใจละในคําตอบแค่นี้เห็นนะซึ่งจริงๆเนี่ยผู้เจ้ารู้หมาพวกนี้หมดแล้วแหละผู้เจ้าต้องรู้ว่าพระทัพพาจะตอบอะไรอนาคตอดีตผู้เจ้ารู้หมดใช่ไหมล่วงรู้วาลจิตหมดแล้วแต่ผู้เจ้าต้องการให้หลุดออกมาเป็นคําพูดหลายครั้งที่พระโมคคานะจะใช้ฤทธ ปฏิหารแก้ปัญหาผู้เจ้าบอกไม่ได้โมกะลานะแล้วภิกษุที่ไม่มีฤทธิ์จะทํำยังไงต้องใช้บทพันชนะนี่แหละคําพูดนี่แหละาศาสนีปฏิหารนี่แหละนะในการแก้ปัญหาพระเจ้าผู้เจ้าจะบีบบีบบีบให้เขาพูดออกมาจนได้นะะนั้นพระทัพพะก็พูดมาปุ๊บบทพันชนะสมบูรณ์ผู้เจ้ารับรองเลยสั่งศึกนางมิตยาภิกษุณีเห็นนะแสดงว่าพระหานเป็นไงฝันแต่ไม่ฝันเสกกามแค่นั้นเองใช่ไหมอ่า ก็รับรองโดยคำพรเจ้าใช่ไหมนี่แหละเราจะหาคำพวกนี้ได้จากพระศาสดาทั้งนั้นก็นะสุดท้ายนะครับทำไมพระอาจารย์จึงเรียกพระลูกศิษย์ว่าอาวุโส ต, ตาม้วยชื่อแล้วคารวาดควรเรียกพระนั้นว่าอย่างไรวัดน้าประพนมีพระทรอยู่กี่รูปครับอตอนนี้ก็ประมาณาเกือบยี่สิบะเมื่อก่อนนี้ก็สา4สิบสี่สิบก็ คลาสิกขากันไปอะไรกันไปพวกพระใหม่ๆมาบวชน ะ, อะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ20สิบกลบทำไมอะเหรอแต่ก่อนอาตมาก็เรียกแบบเขาคูบานะอย่างงนอย่างนี้น ะ, ะแต่นี้เราก็เริ่มมาเรียกอย่างพระศาสดาผู้เจ้าตัอย่างนี้อานอนเวลานี้พวกภิกษุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโส แก่กันและกันทั้งแก่และอ่อนเนี่ยไม่สนใจใครแก่อ่อนเรียกอาวุโสกันหมด <c oughs> โดยการที่เราล่วงรับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่กว่าจงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยชื่อสกุลหรือโดยคำว่าอาวุโสผู้อ่อนกว่าจงร้องเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมานะเพราะนั้น อาตมาก็สามารถเรียกท่านมาร์กเนี่ยว่าอาวุโสหรืออาวุโสมาร์กหรือมาร์กก็คือชื่อหรือตระกูล อ, อิสรางกูลนายุทธยานะเราก็เรียกได้สามแบบใช่ไหมเราก็เรียกอิดอาวุโสอิทน ะ, ะหรือเรียกตระกูลท่านก็ได้ใช่ไหยไม่ได้เป็นการด่าตระกูลนะหรือไม่ได้เป็นเรียกชื่อพ่อชื่อแม่ท่านนะนะนะก็ ส่วนท่านก็เรียกอาตมาได้ว่าพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญอาวุโสแปลว่าท่านผู้มีอายุนะคือมีอายุในธรรมวินัยนี้เห็ น, นะหมผู้เจ้ามีเหตุผลในการบัญญัติโยมเชื่อไหยทุกวันนี้พระวัดป่าเรียกกลับกันในหนองบัวพง์ที่อาตมาอยู่เนี่ยเขาจะเรียกผู้อ่อนว่าพันเต ท, ทั้งที่ผู้เจ้าให้ใช้เรียกผู้แก่นะและเรียกผู้แก่ว่าอาวุโสเรียกแบบภาษาไทย เห็นนะกลับกับบัญญัติศาสดาอาตมาเห็นวัดที่ใช้ตรงเนี้ตรงก็คือวัดของท่านประยุทธ์ใช่ไหมท่านอาจารย์ประยุทธ์เนี่ยลูกศิษย์ท่านมาสองคนมาที่วาอาตมาเขาเรียกอาวุโสพันเตและเขาก็บอกขอโทษอาตมาว่ า, าผมบังเอิญผมเรียกอย่างนี้นะผมเรียกเรียกตามที่พระุทธเจ้าบัญญัติบอกอ๋อผมผมเข้าใจอยู่ก็บอกเออดีนี่ท่านเรียกตามที่พระุทธเจ้าบัญญัติอย่างเนี้ยเห็นไหมมันน้อยวัดนะที่จะยอมทําตามพระพุทธเจ้าเนี่ยยมทํายังไงจะให้วัดทุกวัดเนี่ย ยอมศาสดาตัวเองแล้วก็วางความเห็นอาจารย์ตัวเองไปซะเพราะอาจารย์ตัวเองไม่ได้สมบูรณ์รนะ้อยอซนะแล้วก็ส่วนตัวผู้แก่เนี่ยถูกเรียกได้อีกอย่างว่าอาจารย์หรืออุปชานะเพราะว่าอาจารยวัตอุปชายวัตมีผู้พันเตผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยูนตั้งอยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูผู้เจ้าก็ให้เรียกว่าอาจารย์ได้ และถ้า อ, อาจารย์ผู ge ar. ge ้นั้นเนี่ยเป็นผู้ชักนํากุลบุตรเข้าหมู่ก็จะถูกเรียกว่าอุปชาเห็นนะเหตุปัจจัยในการเรียกมีหมดเยอะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองในศาสนาพุทธผู้เจ้าบัญญัติไปหมดแล้วนะอาตมาก็เรียกอย่างนั้นมานานนะที่มาเรียกอวโสโันเตนต้องฝึกใหม่นะเนี่ยเมื่อฝึกเมื่อไม่กี่ปีนี่เองอ่ะเพราะตอนหมู่คณะเรายังน้อยๆเนี่ยเราไปเรียกเราก็บ้าอยู่คนเดียวนะ เราก็รอหมู่คณะใหญ่ๆก่อนพรอหมู่คณะเราโตขึ้นเติบโตขึ้นอ่ะทุกคนเห็นว่างไงควรดีไหมอ่ะควรควรทุกคนเห็นพร้อมต้องการปุ๊บอ่ะฝึกเรียกอาวุโสพันเตอวุโสพันเตไปเรื่อยๆก็คล่องปากละชินละเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปเรียกแบบเก่าละน ะ, ะส่วนโยมจะเรียกว่างไงก็เรียกพันเตก็ได้ท่านผู้จเจริญเหมือนอินเดียนะ คนนี้เนี่ยเ้าเจอพระก็ยกมือไหว้พันเต้พันเต้นะท่านผู้เจริญจเจริญกว่าเราด้วยศีล น, นะอย่างนี้มหมดคำถามพอดีโอโเลยเวลามาเยอะนะต้องขออภัยด้วยเลยมาครึ่งชั่วโมงก็วันนี้คงพอเท่านี้ก็จิตได้ฐานการงาน การนอนนะวางจิตก่อนนอนนะกลับไปก็ให้ตั้งจิตจะไม่ให้จิตคิดอกุศลแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการหลับซ้านะก็ขออน้มุทนากับทุกคนให้ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันต่อไปนะเชิญพรพวกนี้มาพร้อมกันตอนที5เพื่อปฏิบัติ